อาจารย์ครับกลาวนภัษการครับผมยริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าแล้วครับอาจารย์ครับคั้งหน้าครบสามปีครับอาจารย์ก็ดีครับผมอาจารย์มืชาวิทาบทคนเยอะไหมครับผมสี่ร้อยสี่สิบอ้สี่ร้อยสี่สิบหกทั้งวันหนึ่งร้อยแปดสิบก็หกร้อยี่สิบ อ๋อสาูุครับผมวันนี้เป็นวันวันไม่ตรงวันพระใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เป็นวันธรรมดาวันอาทิตย์ธรรมดาอันนี้อันนี้รู้สึกคนมาเยอะวันอาทิตย์เนี่ยเยอะกว่าวันเสาร์วันเสาร์นอนนี่ทำน้อยกว่าครับครับผมอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งชื่อหัวข้อคําถามว่าหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธครับเพราะว่าก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นชาวพุทธ เรามีหน้าที่จะต้องทําอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับกลับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผมหน้าที่ของเจ้าพุทธเราก็มีอยู่สี่สี่หน้าที่ตามลําดับหน้าที่ที่หนึ่งขั้นขั้งที่หนึ่งก็คือศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเช่นฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้นำปฏิบัติอะไรกัน เ่รารู้แล้วเราก็นํำมาไปสช้การปฏิบัตินี่คือขั้นที่สองปฏิบัติเรากองปฏิบัติแบบสุ ป, ปฏททิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้บรรลุผลขึ้นมานี่คือขั้นที่สามบรลุพระผลนิพพานรรลุเป็นพระอริยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึ ง, งพระอรหันต์ขั้นที่สาม พอบรรลุเป็นขั้นบ้านานแล้วในขั้นที่สี่ก็เผยแผ่สั่งสอนต่อไปเอาคำสอนของพระเจ้าที่ได้ตที่ได้บรรลุถึงนี้นําไปเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้นี่คือหน้าที่หลักสี่ประการของของชาวพุทธแล้วระเจ้าไม่เคยสอนให้ไปสร้างวัดสร้างสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างอะไรกันนะครับ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดสินเลยการไม่ในการมีโบสถ์มีเจดีย์ว่มีอะไรพุทธเจ้าต้องการมีที่สงบอยู่ในป่าในเขาอบรรลุมรรคผลที่ผ่านในป่าในเขาเหมืนพระอรลัยบุคคลส่วนใหญ่ก็จะบรรลุมรรผลที่ผ่านในป่าในเขาพระที่อยู่ตามวัดตามโบสถ์ตามเจดีย์มักจะไม่ค่อยบรรลุขนาดเหมือนเหมือนนานาที่มัน นามันเนื้อนาที่มันไม่มีน้ำเนี่ยปลูกข้าวมก็ไม่ขึ้นข้่วนะแต่นาที่นี้เป็นนาที่มีน้ําแล้วก็เด่นก็ดีเนี่ยมัเป็นที่ทําให้ต้นข้าวนี้จระงอกงามนะดูประวัติของพระอริยะทั้งหลายส่วนมากท่านท่านจะบรรลุในป่าในเขากันนะเกี่ยนี่ก็คือหน้าที่ของชาวพุทธล้ว พระพุทธเจ้าถึงกําหนดวันพระขึ้นมาวันพระว่าวันธรรมเรียกว่าวันธรรมสวัสดิคือวันฟังธรรมในฟังคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราถ้าเราต้องการการลดพ้นจากความทุกข์เราต้องทำํำอะไรกันบ้างแล้วสอนให้ทําทานศีลภาวนาครับเมื่อสอนแล้วเราศึกษาแล้ว เราก็ตองทำตามที่อุตส่าห์าสอน ท, ทานํทท า, า ท, ทานทําทานการทําทานนี้เป็นการเปลี่ยนการใช้ใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขความสุขมันมีสองแบบความสุขที่เป็นความสุขปอลอมกับความสุขที่เป็นความสุขจริงความสุขปลอมก็คือการเอาเงินทองไปซื้อความสุขจากรูปสิ่งกิ่นรสผลิตภัณต่างๆ เช่นไปเที่ยวไปดูวัหารศพบันเทิงเลวไปซื้อของที่ถูก อ, อกถูกใจก็อาจจะเป็นกระเป๋ารองเท้าหรืออะไรก็ตาม ต, าม ต, ามตาม่างเครื่องประดับตา่างๆการซื้อของเหล่านี้มันไม่ได้ให้ความสุขความอิ่มอบใจแต่มันกลับทำให้เกิดความหิวมากยิ่งขึ้นไปซื้อมาก็อยากจะซื้ออีก ในรายการรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวเห็นรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะซื้ออย่างี้เห็นรถเห็นรถซื้อรถรุ่นด น, ดนี้มาแล้วเดี๋ยวปีหน้ามีรถรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะซื้ออีกบางคนทำธุรกันแล้วอดซื้อไม่ได้ก็ซื้อกันบางคนมีรถเป็นสิบคันเป็นร้อยคันเนี่ยนั้นซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าเกิดมีมีปัญหาไม่มีวันจะซื้อตอนนั้นก็จะทุกข์เพไม่สามารถซื้อสิ่งที่ ที่อยากได้แต่ถ้าเราเงินมาทํามุนทำทำทานนี่มันไม่เกิดความหิวความอยากมันเกิดความอิ่มความอิ่มใจสุขใจจะทําให้ไม่ค่อยหิวกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหมอเราศพบันเทอรไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวซื้อของพุ่มเฟือะไรต่างๆนี่คนที่ทําบุญเยอะๆนี่นจะไม่ไม่ค่อมหิวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ พ่อบุญที่ทำนี่มันให้ความอิ่มใจสุขใจมันมันมันให้ความรู้สึกพอไม่หิวโหวยถ้าถ้ามีเงินมีทองอยากจะซื้อความสุขให้ซื้อการสุขด้วยการทําบุญทําทานตามที่พระเจ้าส่งสอนแล้วความทุกข์ที่ที่จะเกิดจากความอยากซื้อสิ่งของต่างๆเวลาไม่มีเงินจะซื้อัจะมันจะไม่เกิดอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องของการ การทำทางนการรักษาศีลไม่ให้ไปเบียดเบียนผูน้ไม่ให้ไปทำใพู้อื่นเขเสียายเดือดร้อนเพราะการไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจะทําให้เราทุกข์ใจใจเราจะทุกข์ก็ต้องรักษาศีลหน้าขึ้นไปรักษาศีลหน้าเราไม่ทาให้ผู้่เดือดร้อนเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยากจะ ให้ใจมีความสงบมีความสุขมากกว่าจากการทำทานรักษาศีลก้าวไปภาวนาเพราะการภาวนานิยท่านได้รับความสุขเต็มร้อยเวลาทําใจให้สงบใจก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่สุขในขณะที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาความสุขนั้นก็จะจางหายไป ถ้าอยากจะให้ความสงบนี้อยู่ต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาขั้นต่อไปก็ต้องปฏิบัติขั้นปัญญาหรือขั้นวิปัสสนาคือต้องศึกษาดู ว, ว่าความสมุบที่ได้จากสมาธิเวลาออกมามันหายไปได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าวมันหายไปเพราะความอยากเวลาเกิดความอยากก็้หนใจที่เย็นก็จะร้อนขึ้นมาทันีความสุขที่มิิได้จากความสงบก็จะหายไป พอใจจะกระตือเร้จ ะ, จะจะมีความภาวะผวาลกับสิ่งที่อยากได้อยู่เฉยเฉไม่เป็นสุขต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาแต่สิ่งที่อยากได้มาได้มาแล้วมันก็ให้ความสุขชั่วคราวเพราะมันเป็นไตลักมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยมันของชั่วคราวได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปรู้จักเราไปเวลาหมไปจากเราไปมันก็ทําให้เราเศร้าทําให้หลาทุกข์ เพามันเป็นอนนาตาเป็นของที่เราห้ามไม่ได้ห้ามแม่้มันเสื่อมไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนั้นาทำไปอยากได้อะไรมาแล้วเวลาได้มันตอนเวลาหน้ามาก็เป็นการตอนเจริญแต่พอมันเสื่อมมันก็จะทําให้เราเสียใจนี่คือการใช้ปัญญาเวลาเอาอย่างสมาธิรับการความอยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากสิ่งตา่างๆ ใหพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังมรรตตาก็จะหยุดความอยากได้พ อ, อความอยากถูกกําจัดไปตัวที่จากที่ไม่สงบก็กลับมาสงบอัน mm hmm. นี้สงบเนี่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิสงบเพราะกําจัดความอยาก อ, อันนี้เข้าสมาธิเราใช้สติกดความอยากไว้แตถ้าเราใช้ปัญญาเราไม่ต้องเข้าสมาธิ ตัดความอยากได้ใจก็จะสงบเห็นวันนี้ถ้าอยากจะเป็นรัฐมนตรีเนี้ยนะใจก็เปลี่ยนไม่ได้นอนไม่หลับรอโปวดเก้าวอเงี้ยถ้าเปี่นใจไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่อยากจะามาเครียดนะเรื่องตําแหน่งนี้ไม่เอาเลยก่าตัดสินใจไม่เอาให้มาก็ไม่รับเงี้ยใจมันก็สงบทันทีเพราะความอยากได้ตําแหน่งมันหมดไป นะคราบอยางเป็นตัวที่ทําให้ใจเราเครียดทําให้ใจเราภาวะผวาลกกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายหงุดหงิดอันนี้เป็นการใช้ปัญญาเพื่อที่จะกําจัดความอยากเพื่อให้รักษาความสงบอของใจให้อยู่ไปอย่างท้าวลพอกาจัดความอยากหมดสิ้นไปจากใจก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไป กำจัดการมาตัญหาได้เภาว่าตัญหาได้วิภาวดัญหาได้ความทุกข์ก็ไม่มีลมเนิน อ, อยู่ในใจต่อไปใจก็สงบตลอดเวลาเป็นบาลังสุขขังใจที่เป็นบารลังสุขขังก็ตวันยิบผ่านยิบบาลังบารมังสุขขังเนนมื่อจบแล้วสมมําเร็จแล้วทีนี้ก็ไปสั่งสอนคนอื่นต่อไปได้ ถ้ายังไม่จบไปสั่งสอนต้องทานักนักศึกษาแพทย์ที่เรียนไม่จบแล้วไปเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยอาจารย์หมอเนี่ยเดี๋ยวสอนผิดผิดถูกถเนี่ยร อ, อ, เอาเงินให้จบกันเอาเนให้จบหลักสูตรกันก็โดยสรุปก็คือต้องไปเรียนก่อนอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็ปฏิบัติให้บรรลุทำการว่าปฏิบัติยกกระทั่งทำข้อสอบให้ผ่านสอบผ่านแล้วก็ทีนี้ อาสามารถที่จะไปสอนผู้ได้ต่อไปศาสนาจะอยู่ต่อไปก็อยู่ด้วยอยู่ด้วยการปฏิบัติของของชาวพุทธเราสีข้อนี่แหละศาสนาเราไม่ได้อยู่ด้วยการสร้างบงุญสร้างเจดียนะเพราะเราไม่สามารถเรียนเรียนเรียนจากบทเรียนจากเจดีได้การเจดีก็เป็นการเฉยๆนั่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าที่เรากาบอะไรบางคนบอกกราบพระธาตพระธาตุไม่รู้เป็นอะไร อนนี้มันไ ม, ม, นไม่ไม่สามารถส่งสอนเราได้ให้ให้ให้ความประจา่ะญญา์ให้ปัญญาให้ให้ให้ทางสู่การดับดับทุกข์ให้กับเราได้แล้ศึกษาอย่างพระคัมภีพระไตรปิฎกเนีพระสูตรสาคัญยช่นธรรมจกักรคับปาวัตนะสูตรสดิประฐานสูตรเป็นต้นปฏิบัติศึกษาแล้วก็ต้องนําเอ็ไปปฏิบัติตางคําสอน พอปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วถ้าไม่ขี้เกียจไม่ทะเลทลายทางที่ดีควรจะศึกษากับปฏิบัติไปกับครูมิงครูบาอาจารย์คอยกำกับเพราะการศึกษาและการปฏิบัตินี้มันต้องไปควบคู่กันเพราะเราไม่ได้ศึกษาแยกออกเรียนให้จบแล้วเข้ามา ป, ปฏิบัติเราเรียนเป็นขั้นแไกขั้นขั้นศีลแล้วก็เรียนวาสีเมื่อะไรแล้วเราก็ปฏิบัติไปขั้นสมาธิต้องทำอย่างไรแล้ว่าปฏิบัติ ต้องมีครูบาอาจารย์คอยกำกับคอยให้ข้อความปรึกษาเป็นระยะระยะสำหระะัาพะป่าท่า น, นจะศึกษาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์โดยตรงทุกสี่ห้าวันครูบาอาจารย์ก็จะเริ่มมาอบรมที แ, แต่ช่วงที่ไม่เนะี่รอมอบรมใส่ก้าวแยกกันไปปฏิบัติแล้วอีกสี่ห้าวันก็เล่นประชุมในครั้งย้ำอยู่เลยลวร่าต้องทำอะไรนะ อันนี้การปฏิบัติกับการศึกษาความจริงก็ไม่ได้แยกกันแต่ทาโลกเขามาแยกกันเลยอย่านี้พระมาบวชใหม่ให้ศึกษาให้จบประเรด็นก้าวก่อนก็ไปปฏิบัติก่อจะจบบางีเกิดขึ้นกอแล้วจบแล้วก็ไม่มีพลังกำลังที่จะไปปฏิบัติแล้วก็อยู่เป็นอาจารย์สอนไปเลยเป็นอาจารย์สอนปริยัติธรรมสอนชงพีแต่ตัวเองก็ปฏิบัติไม่ได้ ต่อยางาสามไม่ถูกได้ปัญญามากเลยครับอาจารย์ครับกล่าวกบว่าคุณครับตอนนี้ชาวพุทธก็จะได้ไม่หลงไปต้องไปก่อสร้างอะไรมากมายครับหันมาเรียนรู้ปฏิบัตรริอ๋อกอาสถามคำถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างครับอาจารย์มีคำถามบอกว่าถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยไปไหว้เทพผิดไหมครับคือถ้าไหว้เมื่อให้ความรู้ก็ไม่ผิดแล้วเพราะว่า พระุทจ้าวาสอนให้มีสัมมาคารวะไหว้พ่อไหวแม่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหวสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ที่การถึงสาระในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้หมายถึงย่อมเป็นถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูป็นอาจารย์ถ้าจะเรียนรู้อะไรให้เรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้เรียนจากคนอื่นถ้าเรียนจากคนอื่นถ้าคําสอนของคนอื่นไม่ขาดจากคําสอนของพระ พ, พระเจ้าก็เรียนได้เช่นคุณหมอก็ต้องมาเรียนวิชาแพทย์เนี่ย นิชาแพทย์ไม่คันหลักเับคําสั่งคําสอนหลวงพ่อเจ้า ก, ก็เห็นได้แต่ถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทนั้นที่รู้วิธีดับความทุกข์ได้ล่านั้นสถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะระดับที่หนึ่งของโลกก็ไม่สามารถที่จะอ่าสอนให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ดังแต่เรื่องการการไหว้การการาบนี่ก็เป็นเรื่องการแสดงความเคารพแสนได้บองทีเรามีความจำเป็นต้องไปงานศพของเพื่อนก็เป็นสราบเวลาก็ทําการกราบาก็การาบน้ำก็ไปโบสถ์ก็มีการกราบมีการไหว้เราก็ทําตามเข้าไปเขาเรียกว่าอยู่เข้ามาหลิวให้หลิตตตตวตาตามไม่ใช่เป็นทําตัวถึงว่าผมเป็นพูดผมทําไม่ได้ไม่มีอล้วพุทธเรานิชลา คนเรานี่ปรับตัวเข้ากับทุกอย่างได้ถ้ามันไม่ขัดกับหลักธํามคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวเองแต่ถ้าเราไปไหว้เทพแล้วเทพบอกว่าต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่เพื่อบูชาเทพนี้เราก็ไม่ทำตามคำสอนขอ ง, ของเทพชัดเจนครับ <c oughs> <c oughs> คุณเพิ่มศักด์ครับการทำการุญยาฆาตเป็นบาปหรือไม่ครับถ้าไม่มีการสั่งเสียไว้ก่อนถ้ามีการสั่งเสียไว้ก่อนบาปไหมครับ บาปบาปทั้งเสียคนสัง่งถ้าสั่งก็คนบาคนสั่งก็บาปด้วยคนทำก็บาปด้วยการฆ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลคนกลายใดมันถือว่าเป็นการเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นบาปทั้งทั้งสิ้นอยา่าฆ่าเพราะการฆ่าไม่ได้แก้ปัญหาแต่อย่างไรความทุกข์ทรมานใจนี่เกิดจากความอยากอยากให้ไม่ตายแลืออยากให้ไม่เจ็บไม่อยาก ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยากจหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ป่วยด้วยการไปฆ่าตัวตายอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้แก้ปัญหาเพราะปัญหาของความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดจากความไม่อยากไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากวิภาวะตัณหาช่วยมาแก้ด้วยกันถือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เปนเหมือนข้อสอบ่ามาหาเราแล้ว เราเรียบเตรียมทําข้อสอบไว้ก่อนพระเจ้าสอนให้เราฝึกนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งเวลาเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาก็ทําใจเฉยๆอย่าไปขยับนั่งกายปล่อยให้มันเกิดไปให้มันดับไปถ้าเราใจนิ่งเฉยๆได้ปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันมีคนบอกว่าสมัยพระพุทธเจ้าเวลาทําบุญแล้วไม่มีการกรวดน้ําจริงไหมครับ เราก็ไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นนะแต่ถ้าที่ดูคําสอนคําสอนก็ไม่ได้บอกให้น้องใช้กวนนะครับเข้าใจว่า ก, การกวนนะครับนี้เป็นพิธีของพรามมากกว่าวเราชาวพุทธเราก็เอามาใช้ประกอบออกับวัดกัรอุที่การทีรท่บุญจริงๆนี้เพียงแต่ให้ระลึกภายในใจก็สําเร็จแล้วเช่นพอเราใส่บาสเสร็จแล้วก็ระลึกภายในใจว่าขออุทิศส่วนบุญที่ได้ทําในวันนี้ให้กับผู้รงรับไปแนละ้วผู้นั้นผู้นี้ก็สําเร็จประโยชน์ มันจาเป็นจะต้องมีพระมาสวน ญ, ญาฐาสาพัพีมันจาเป็นจะต้องมีน้ำมากรวดแต่ก็เป็นความเชื่อมันมาเป็นเป็นทอดๆอย่างนั้นกายเป็นกลายเป็นความจริงไปคุณลิชแมนครับการให้ค่าคอมเจ้าหน้าที่รัฐทำให้สินค้าราคาสูงขึ้นถ้าไม่ให้ก็ขายไม่ได้อย่างนี้บาปไหมครับคนที่บาปก็คือคนที่เรียกค่าคอมมิชชั่น เราคนซื้อเราก็จ่ายไปตามราคาที่เขาเรียกมาท่า น, นั้นเองเพราะคนที่อขอรับชั้นก็คือเจา้าหน้าที่ไม่ใช่เราก็เขาขายสินค้าราคาเนี้ก็จะซื้อไม่ซื้อจะซื้อเาก็จะขายให้เราถ้าไม่ซื้อเขาก็ไม่ขายให้เราก็าท่า น, นั้นแต่คนขายนั้นบาดเพราะว่าเอาเงินส่วนกลานี้ไปเข้ากระเป๋าตัวเอง คุณแคทครับถ้าอยากได้โสดาบันในชาตินี้ยึดมั่นในพระราัตนาตายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาถือศีลห้าทำทานไม่ได้มีความโลภถือพรหมจรรย์ทำอย่างแน่วแน่แบบนี้ลูกมีสิทธิ์ไหมครับยังไม่มีหรอกจะเป็นรสโสดาบันได้ต้องให้เีโดวงตาเห็นทางเห็นว่าน่างกายและความรู้สึกนึกคนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาร่างกายก็ไม่ใช่เรา ความเจ็บความรู้สึกเจ็บสุทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่เรามันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ขั้นดับไปต้องปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ปล่อยวางเวทนาให้ได้ถ้าปล่อยได้ก็จะเป็นพระสุนทรภ า, น, านได้คือการบรรลุต้องบรรลุ ด, ด้วยปัญญาใช่ไหมครับใช่แต่ก็ต้องอาศัยการทําทานรักษ า, า, าศีลภาวนา ให้ได้สมาธิขั้นอุเบกขั้นอฌานสี่ขึ้นไปได้อปปนาสมาธิแล้วจะมีพลังที่จะปล่อยวางได้เมื่อปัญญาบอกว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นเพียงอธาตุสี่ดินน้ำล ม, มไฟที่น้องมีการเกิดและดับไปเป็นธรรมดาพอมันจะดับเราก็ต้องปล่อยให้มันดับไปอย่าไปอยากให้มันไม่ดับพอไปอยากมันก่อความทุกข์ขึ้นมา คำถามจะกคุณตุกตาครับเราจะละโมหะได้อย่างไรครับโมหะก็คือความหลงะความหลงที่ไปเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนเราต้องศึกษานิจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเข้าใจกฎของตายรักเราก็จะไม่มีโมหะเราก็จะมีปัญญา คุณวันธนาครับคนที่ไม่รู้หน้าที่ในทางธรรมในการทํางานจะต้องทําอย่างไรครับทางธรรมกัการทํางานนี่ไม่ใช่มันเป็นอันเดียวกันนป่ะการทํางานเราต้องรู้หน้าที่ของตนไงเราไปทํางานเขามอบหน้าที่เราทําอะไรคุณเป็นหมอหมอก็ม อ, อ, อต้องไปตรวจคนไข่ใช่ไหมก็ต้องทําหน้าที่ คนเป็นพนัก ง, งานบัญชีคนก็ต้องทําบัญชีม่มันไม่เกี่ยวกันเรื่องทางธรรมคนละเรื่องกันอาจจะต้องส่งคําถามว่าามาใหม่เพราะไม่ไม่เข้าใจครับกุชาดาครับน้ำมนตเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อด้วยหรือเปล่าครับใช่น้ํามันเป็นน้ํำนะมนไม่มีความพิเศษพิเศษอะไ ร, รแต่เป็นความเชื่ออาจจะทําให้ เป็นสิริมงคลบ้างเป็นอะไรบ้างขึ้นมานั่นเองแล้วก็ทำมาจากน้ำนน้ำประปาน้ำฝนน้ำอะไรน้ำขวดทำอไมครับคุณวิไลครับถ้าเราถือศีลแปดเราสามารถดูรายการทีวีได้หรือไม่เช่นข่าวหรือดูเกี่ยวกับสุขภาพได้หรือไม่ครับเือถ้าไม่ดูได้ยังดีกว่าเราต้องการสมบรว์ตาของจะบอก่งเลี้ยกายเอาเวลาไปดูทีวีนี้มา นั่งสมาธิดีกว่าเพราะว่าการถตือนสินตดนี่ัก็มีไว้สนับสนุนในการปฏิบัติสมาธิั้นปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดูทีวีไรายสื่อมานั่งสมาธิหรือมาอ่านหนังสือธรรมะหรือ ด, ดูดูรายการธรรมะได้อยู่อย่างเช่นรายการที่เราคุยกันตอนนี้ดูได้อยู่สนท น, นาถามกันถามตอบคำถาม หลังจากนั่งสมาธิทุกครั้งต้องแผ่เมตตาใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกันการแผ่เมตตากับการนั่งสมาธิเหมือนคนละเรื่องนะการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้เราสงบมีความสุขการแผ่เมตตานี้เป็นการให้ความเมตตากับผู้อื่นซึ่งการแผ่เมตตาต้องรอเวลาที่เราพบปะกับคนไม่ใช่มาแผ่เมตตาในขณะที่เราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเราแผ่ไม่ได้ไม่มีผู้รับ ต้องแผ่ในขณะที่เราพบปะกันและไม่ได้แผ่ด้วยการสวดแต่แผ่ด้วยการกระทําเช่นพบปะกันยยิ้มให้การทักทายกันถามสารทุกข์สุขนิพพหรือถ้ามีอะไรขอมาฝากก้ามาฝากกันอย่างนี้นี่ว่าแผ่ไม่ตางหรือถ้ามีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการการสูญเสียเช่นใครมาทําให้เราต้องเกิดความสูญเสีย เราก็ให้อาภัยเขาอย่าไปจองเวรยองคําอย่าไปโกรธเขาอันนี้เป็นการแผ่เมตตาคนเราเข้าใจผิดคิดว่าการสวดการสวดบทแผ่เมตตาเป็นการแผ่ไม่ไหนแผน่การสวดก็เพื่อเป็นการสอนใจเราว่าให้เรารู้ว่าเวลาแผ่เมตตาต้องทำอย่างไรเช่นเวลาหุนตุแปล ว, ว่าอะไรแปล ว, ว่าไม่ให้จองเวรจองคํากันอายาประชาหุนตุปแปล ว, ว่าไม่ให้เบียดเบียนกัน อั น, นิคารหนตุแม่ธรรมะนา่การและจิตใจกันสุขียะตะนังบาิภรันตุให้ความสุขต่อกันนี่คือวิธีแผ่เมตตาแต่ต้องแผนด้วยการกระทำคุณโซโรครับน้องผมเป็นเด็กออทิสติกถ้าใช้กรรมในชาตินี้แล้วชาติหน้าจะได้เกิดเป็นเด็กปกติไหมครับ ถ้ากรรมมันหมดเนี่ยถ้ากรรมมันหมดก็กลับมาเป็นปกติถ้ายังไม่หมดมันก็ยังต้องใช้ต่อไปพี่สาวเป็นมะเร็งทรมานต้องขอมอร์ฟีนจนหลับไปบาปไหมครับก็แล้วแต่เจตนาว่ า, า, าต้องการที่จะให้น้ำกายตายหรือไม่น้ำกายตายก็บาปแต่ถ้าจะใช้กันในการบรรเทาความเจ็บปวด ก็ยังไม่บาอยู่ที่เจตนาก็ต้องรู้ว่าปริมาณของยาคนอยากินเอาเข้าไปบ้ากน้อยเพียงไรก็ต้องบอกแพทย์ให้ให้รู้ก่อนว่าไม่ต้องการตายนะต้องการช่วยลดอาการความทรมานจากการเจ็บปวดนนะถ้าแพทย์บอกว่าไม่ไม่รุนารเท่าไหร่ถึงยาปลอดภัยก็ไม่ต้องเอามากั น, ก, น, ก, นก็ทนไปใช้ใช้ใช้ธรรมะโ อ, อสถไป พุทธพราหมณ์บริกรรมพุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบใจก็จะไม่ทรมานกับความเจ็บปวดของร่างกายคุณสนใจครับคําถามคือการลดความเครียดในที่ทํางานลดความโกรธอย่างไรครับความเครียดความโกรธมันเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยาก ใ, ให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ พอมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเราก็เลยเครียดเราก็เลยโกรธขึ้นมาวิธีที่จะลดความเครียดความโกรธก็คืออยากไปอยากให้สิ่งต่ตางๆคนต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ถือสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะทําอย่างไร ก, ก็ก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ต้องยอมรับไปเพราะเราห้ามเขาไม่ได้หรือบังคับเขาไม่ได้เราก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่เครียด เวลาไม่สบายใจมากแต่สวดมนต์ไม่ได้เลยควรวางใจแบบไหนครับสวดนตไม่ได้เลยวางใจกันเถอะมันก็วางใจเฉยทําใจให้เฉยแล้วยอมรับกับสภาพที่จะเกิดขึ้นความไม่สบายของเราเกิดจากการที่เราไม่ไม่ยินดีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเรายอมรับจะต้องติดคุ๊กก็ติดไปจะต้องใช้หนี้ก็ใช้ไปจะต้องทําอะไรก็ต้องทอําไปนี่ ถ้ายรับกับสภาพความเป็นเป็นไปของเรามันอาการเครียดก็จะหายไปที่เครียดกันก็ว่าไม่อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราคุณเล็กครับตอนนี้มีความคิดในเรื่องของการหาเงินทำมาหากินความโลภเข้ามาในเวลานั่งสมาธิจนทําให้กระวนกระวายและไม่สามารถอยู่กับกรำบริกรรมได้ เราควรยกข้อทข้อไหนมาสั่งสอนจิตของเราให้ละวางตัญหาข้อนี้ครับถ้าความโลภเป็นความตายอเวลานทีเชุดเราก็ต้องตายแล้ะของต่างๆที่เราหามาได้ทุกความโลภเราก็าไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวกลายเป็นของคนอื่นไปหมดแล้วเราจะไปหามันมาทําไมถ้าเราพอมีพอกินก็พอแล้วตายไปก็เราก็ไม่ขาดทุนถ้าเราหามาันเยอะแยะตายไปเราจะขาดทุนว่า ของที่เราหามันน่าจะกลายเป็นของคนอื่นเปนหมดครับคุณจินตนาครับจะละอัตตาต้องหยุดคิดใช่ไหมครับคือมันส่วนหนึ่งก็คือการหยุดคิดแต่การหยุดคิดในการหยุดชั่อขา่าวเพราะเวลาเริ่มคิดมันก็จะมีอัตตาใหมา่เราก็ต้องใช้วิธีแก่การมีอัตตาด้วยการทําตัวให้เป็น ผู้ไม่มีอัตตาก็ทําตัวเหมือนภ้าคีริ้วก็ทําเปิดตัวเหมือนแผ่นดินแผ่นดินนี้ไม่มีตัวอัตตาตัวตนใครจะเหยียบใครจะทําอะไรกับแผ่นดินนี่แผ่นดินมันจะไม่ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างไรเราก็ต้องฝกตัวเราให้เป็นเหมือนแผ่นดินแล้วทําตัวเหมือนเหมือนเป็นภ้าคีริ้วผ้าเช็ดเท้าอย่างนี้ใครอยากจะเช็ดเท้าเราก็ได้ใครอยากจะเหยียบก็ครเอาผ้าเช็ดเท้าไปเช็ด ไปเช็ดปัสสาวะไปเช็ดอะไรก็ได้ทั้งนั้น mm hmm. ทําตัวเราให้ยอมรับกับทุกสภาพใ ค, ใครจะว่าเราอย่างไรดูถูกเราอย่างไรก็ได้ทั้งนั mm ้น hmm. ใครจะบูลลี่เราก็ปล่อยเขาบูลลี่ไปสมัยนี้คนไม่ยอมบูลลี่ยอมฆ่าตัวตายกันก็มีเค <laughs> รียดไปฆ่าตัวตายเพราะถุกคนเขาบูลลี่ก็ยอมไม่เข้าบูลลี่ก็มันก็จบมันจะไปหลังษาสหนะัสาหารตรงไหน เขาจะว่าไงก็ปล่อยเขาว่าไปเขาจะว่าเราเป็นดีดอกก็ว่าไปว่าเรเป็นดอกทองก็ปล่อยเขาว่าไปแล้วเราเป็นตามที่เขาพูดหรือเปล่าเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเสน่อยแต่ความความถือตัวว่าถือว่าเราดีเราเหน่นเราไม่ควรที่จะต้องให้ใครมาดูถูกดูแคลนเนาไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่เราต้องฆ่าคือตัวอัตราตัวตอนนี้ตัวมานะ จริงเลครับอาจารย์แค่ฟังก็โล่งใจครับจริงจริงเรื่องบูลลี่นี่ถ้าทําใจได้ที่สบายใจเลยนะครับใช่ก็เราเราไปห้ามมันได้ไหรือเปล่าจะาให้เรามองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฟ้าผ่าฝนตกเราไปห้ามมันได้ไหมการบูลลี่ของคนก็แบบเดียวกันก็เหมือนดินฟ้าอากาศเข้าๆๆไปเขาบ่ยเขาบูลลี่ไปคุณสุธารัตน์ครับเป็นจิตอาสาช่วยทุกงาน ตอนนี้ลูกช่วยดูแลคนป่วยได้บุญแบบไหนครับก็ได้บุญที่อยากการรับใช้ช่วยเหลือผู้ น, นึ่นก็คล้ายๆทานเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะใช้ทรัพย์สินของเราเราก็ใช้กําลังทรัพยากรทางร่างกายของเราคือกําลังกายและเวลาของเราให้ใหประโยชน์แก่ผู้อื่นแทนเพราะบางทีเราอาจจะไม่มีเงินทําบุญทำทานพอเราอาจจะฐานะไม่ไม่รับรวยพออยู่พอกิน จะอามาทำบุญก็ไม่มีเพราะต้องีบกแบกทองแต่เรามีเวลาว่างสามารถไปทำคุณประโยชน์ด้วยการทำรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนั้นในบุญสิบประการของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำคุณสุนีครับพิจารณาความตายบ่อยๆจะพ้นทุกข์ได้ไหมครับก็ไม่แน่นะอาจจะบรรลุถึงพคัมภร์พระโสดาบัได ถ้าเรายอมตายถ้าเราพิจารณาว่านั่งกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่เพื่อเอามาใช้รับใช้เราชั่วคราวเมื่อถึงเวลามันจะต้องตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ า, ถายอมตายได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ขึ้นหนึ่งอีกขึ้นหนึ่งก็ต้องยอมเจ็บถ้าเรายอมเจ็บได้ยอมตายได้นั้นก็จะเป็นพระโสดาบันไดหลุดพ้นขามทุกจากกัน ค ว, ความเจ็บป่วยของร่างกายลดพ้นจากความทุกข์จากก า, การตายของร่างกายได้แต่เรามีความทุกอย่างอื่นที่เรายังตัดไม่ได้อยู่ยังไม่หมดสิ้นไปที่เราจะต้องปฏิบัติต่อไปคุณสมศักดิ์ครับภาวนาคืออะไรทําอย่างไรครับการภาวนาก็คือการทําจิตเนี่ยพออัฒนาจิตใจจากจิตใจที่ไม่สงบให้เป็นจิตใจที่สงบ จากจิตใจที่ไม่ฉลาดรอบรู้ให้เป็นจิตใจที่ฉลาดรอบรู้เรียกว่าเป็นการภาวนาแบบ่งเป็นสองสองขั้นในการั้นที่หนึ่งทําใจให้สมบงเรียกว่าสมถตภาวนาขั้นที่สองทำใจให้ฉลาดสอนใจให้ฉลาดรอบรู้เรียกว่าไม่ปัสนาภาวนาไปกราบพระพุทธรูปในสถานที่ต่างๆทางศาสนาที่เตรียมทุบเทียนให้จุด หากเราไม่ได้จุดธูปเทียนบูชาบาปไหมครับไม่บาปแล้วคุณปูครับขอชี้แนะหลักธรรมและวิธีทำใจเรื่องลูกชายคนเดียวที่เข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่มีแฟนเริ่มห่างเหินจากแม่ในขณะที่แม่เข้าสู่วัยทองกเกษียณมีปัญหาสุขภาพควรทำอย่างไรเมื่อมีความรู้สึกน้อยใจเสียใจที่ลูกไม่รักไม่ห่วงครับ ก็ต้องเข้าใจว่าคนเรามันนานาจิตตังคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนมีความกระตันอยู่ก็มีคนไม่มีความกระตันอยู่ก็มีพอดีเราโชคของเราไปเจอลูกที่ไม่กระตันอยู่ไม่รักเราก็ทำนั่นเองเราต้องยอมรับความเป็นจริงอันนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์องเราเกิดจากความอยากให้เขารักเราให้เขามีความกระตันอ ย, ยู่กับเราเลี้ยเรา แต่เขาไม่เป็นคนกระตันอยู่เขาไม่รักเราเราก็เราก็ช่วยไม่เราก็บังคับขอไม่ได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำใจอย่าไป น, น้อยใจทำใจว่ามันเป็นเป็นความโชคร้ายของเราที่ได้ลูกที่ไม่ดีมาเป็นลูกของเรากันแล้วเราก็จะไม่เสียใจไม่น้อยใจคุณหนาครับบอกว่าอยู่กับสามีมานานแต่มนเรื่องทะเลาะ ก, กันมาตลอด แต่นี้เป็นคู่เวรคู่กรรมใช่ไหมครับเป็นพราะว่าไม่ยอมกันทางฝ่ายต่างถืออัตตาตัวตนทารฝายต่า ง, งถือว่าครับคิดความแย่งชิงตนเป็นถูกฝ่ายตรงข้ามเป็นถูกเราเลยต้องมีการทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆคุณเจ้เฮียงครับผลพิการจังหวัดตากหนูพิการทางสมองเอามาพลิกครึ่งซีกตอนนอนฟังพระสวดในมือถือแล้วหลับไป ใจเราน่าจะเป็นสุขไหมครับก็นอนหลับน่ามันจะเป็นสุขครับผมคนที่นอนไม่หลับมัยจะเป็นทุกข์ใช่ไหมอันนี้นก็ถือ ว, ว่าเป็นการใช้การส่วนบนต์ฟังการส่วดมนต์ปัญญา น, นอนหลับไปก็แล้วกันแต่ไม่ได้สมาธิหรือไม่ได้อะไเพ็นแต่ ว, ว่าได้ได้ความได้หลับได้นอนหลับคุณดาครับ มุ่งหวังทําแต่ความดีไม่ได้สวดมนต์อะไรเลยและไม่ได้นั่งสมาธิเลยอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็ได้ในระดับของการทําบุญของการทําความดียังมีบุญที่สูงกว่าที่ดีกว่าที่เกิดจากการสวดมนต์นั่งสมาธิบำเทศญต้องทำคุณอัชลาครับมีคําถามสองข้อครับข้อที่หนึ่ง เมื่อเช้าลูกใส่บาตรแต่พระที่รับบาตรบอกว่าไม่ต้องถอดรองเท้าแบบนี้ถือว่าเป็นการไม่เคารพหรือไม่ครับอันนี้ท่านพระท่านอาจจะไม่เข้าใจเลยว่าท่านอาจจะไม่อยากจะให้ญาติโยมลําบากเราไม่ต้องถอดก็ได้แต่ถ้าเราพูดตามธรรมเนียมแล้วเปละท่าพระเดินินาบาตถ้าท่านไม่ใส่รองเท้ายาติโยมก็ไม่ควรที่จะใส่เพราะก็ถือว่าถ้าใส่รองเท้าก็ถือว่าเราสูงกว่าพระเราเย็นที่สูงกว่าพระ ธรรมดาเราเร า, เราต้องยกพระสูงกาเราเพราะท่านมีศีลมากกว่าเราท่านนั้นเองนี่มันธรรมเนียมอย่างใส่แล้วไม่ใส่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ในดวตาท่านก็นพูดอยู่นะตอนที่ท่านยินดีบาตแล้วคนใส่รองเท้าดวงตาท่านก็พูดอย่างนี้ว่าเท้าเท้าสกปรกเนี่ยมันลํางได้ง่ายแต่ใจสกปรกเนี่ยมันล้างได้ยาก เข้าใจเลครับใจที่ถือตัวยังถืออะไรอยู่เนี่ยมันนั่งยากกว่ารองเท้าเท้าที่ถังเท้ามาเหยียบแล้วสกรปรกมันนั่งเรียบๆมันก็สะอาดนะข้อที่สองครับช่วงนี้อากาศร้อนจัดถ้าเราถามพระท่านว่าน้ําดื่มพอฉันหรือไม่เพื่อที่เราจะได้ซื้อยกแพ็คไปถวายที่วัดแบบนี้ถือว่าตักบาทห้ามถามพระหรือไม่ครับ ก็ถามได้ถ้าอยากจะถามนะแต่ว่าบางทีพระท่านก็จะไม่ไม่ตอบหรือว่าท่านก็บังเอลตาโยมก็ต้องการพระไม่ต้องการที่รับตัวให้เป็นภาระรกแก่ญาติโยมมาให้เป็นเรื่องของศ ร, รัท ธ, ธาถญาติโยมอยากจะถวายก็ถวา ย, วายไปไม่ต้องถามหรอกทาไปเพราะญาติโยมคนถวายจะได้บุญนะแต่ถ้าพระพูดมาส่งเสริมให้ทําเดี๋ยวก็เหมือนกับว่าพระจะชักประโยชน์เข้าตัวเอง ก็เลยบ า, า, างทีพระก็เลยไม่ค่อยนิยมที่จะพูดขออะไรจากญาติโยมยกเว้นว่ามีญาติโยมปราน า, าตัวไว้ก่อนว่าถ้าถ้าขาสนสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุนบอกข้าพเจ้าได้มีฉะนั้นก็าอาจจะพูดได้แต่โดปกติเราก็พระทุกสานมาให้เป็นสนันโดษถ้อยู่แบบสนันโดษห้ยินดีตามมีตามเกิดไม่ให้ไปรบวรกวนศรัทธาญาติโยมเพราะจะทําให้อาจจะทําให้เกิดเสื่อมศรัทธาได้ า็ลองทิงศรัทธาญาติโยมบ้างจะไม่พร้อมที่จะทำแล้วก็มีพระมาะคอยขอนุ่นขอนี่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเบื่อได้จากครูนิดครับการบวชชีพราหมณ์สิบแปดปฏิบัตทิที่บ้านได้ไหมครับ <c oughs> หรือต้องอยู่วัดครับได้ทั้งนั้นนะถ้าปฏิบัติได้เนื่องจากว่าท่านอยู่ที่บ้านขนาดจะมีอุปสรรคคือถ้าเราอยู่กับคนอื่นด้วย บางคนอื่นเขากินข้าวเย็ยนอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะชวนเรากินด้วยคนอื่นก็ดูทีวีดูหนังก็จะชวนเราดูด้วยหรือไม่ได้ชวนเพียงแต่เห็นมันก็ทําให้ใจเราสั่นแล้วก็ได้กิเลสเรามันอยากอยากจะกินอยู่แล้วอยากจะดูอยู่แล้วนถ้าเราไปอยู่ที่วัดที่ไม่มีใครกินอาหารเย็นไม่มีใครดูดูภาพยนตร์ดูอะไรเนี่ยมันจะทําให้การรักษาศีลเป็นไปได้ง่ายกว่าแต่ท่านสามารถรักษาที่บ้านได้ก็รักษาได้ ไม่ได้ขึ้นยูกับสถานที่อยู่ที่การรักษาว่ารักษาได้หรือไม่คุณไลท์เทรนครับบึเมื่ออารมณ์ต่างๆมากระทบใจแล้วทําให้เกิดความฟุ้งซ่าน ร, ร, รําคาญเราจะระลึกรู้เท่าทันเพื่อยับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆได้อย่างไรครับก็ใช้สติให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อเพื่อดึงใจเราให้ออกจากเรื่องที่ทําให้เรามีความฟุง้งซ่าน อันนี้ก็จะทําทให้ความฟุ้งซ่านมันรับไปได้ชั่วคราวแต่เวลาเรากลับมาจับใจกับเรื่องที่ทําให้เรามีความฟุ้งซ่านอีกมันก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้อถ้าจะไม่ฟุ้งซ่านเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราต้องอยู่กับเขาให้ได้อยอมรับกับเขาให้ได้เราก็จะไม่ฟุ้ง อาจารย์ครับถ้านั่งสมาธิได้ไม่นานแต่ภาวนาทุกครั้งที่นึกได้อย่างนี้ได้ไหมครับในการภาวนาคือเรเลือกถึงพุโทโธพุทโธนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้ผลเราต้องมีสติพอที่จะหยุดความคิดได้ถ้าสติยังมีกําลังไม่พอที่จะหยุดความคิดนั่งสมาธิก็ยังไม่ก็ยังไม่ไมสงบดะงนั้ก็ต้องทําทั้งสองอย่าง เวลาไม่นั่งสมาธิเราก็เลิกขยันภาวนาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วพอเรามีเวลาว่าเราก็นั่งสมาธิไปนั่งบ่อยๆนั่ง ม, มากๆต่อไปมันไม่ใช่สงบอเองคุณมัลติพิกซ์ครับวันก่อนที่คอนโดที่อาศัยอยู่มีคนกระโดดตึกค่าตัวตายตอนนี้ไม่กล้าขึ้นลิฟต์หรือออกนอกห้องหลัง6โมงเย็นหรือเข้ามาดึกเลยครับต้องขจัดความกลัวอย่างไรดีเพราะเห็นสภาพศพพอดี ทำใจอย่างไรถึงจะอยู่กับตรงนี้ได้สวดมนต์แผ่เมตตาให้ผู้ตายไปแล้วเขาจะได้รับไหมครับกับข่อคำแนะนําครับคือความจริงเนี่ยเหมือนกับพูดอยู่ครับผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงเข้าใจไหมแต่<ม>คนที่ตายไปแล้วนูนวิญญาณเขาไม่มาหลอกเราหรอก<ม>เขาไปลับ<ม>เขาไปเกิด<ม>เขาไปเป็นเทพ เ, เป็นเป็นเปรตหรือ เ, เป็นอะไร<ม>ไปแล้วตามอํานาจของบุญของบาปที่เขาทําไว้ หลาผีที่มาหลอกเราว่าคือใจเราเนี้ยไปคิดสร้างเรื่องผีขึ้นมาในใจเราอันนี้ไม่ใช่เป็นผีจริงวิธีแก้ก็คือเวลาเกิดความโกลัว่ายบริกรรมพุทโธพุทโธไปทําใจให้นิ่งอย่าไปคิดถึงเรื่องผีน้อยก็จะไม่มันก็จะไม่มีผีมาหาเรา ค, รคุณจำโบ้ครับทําบุญเ <c oughs> ทำบุญให้แม่ที่เสียไปแล้วแต่ฝันแม่บอกไม่ได้รับต้องทําอย่างไรครับ ถ้าเป็นความฝันอันนี้เราก็ไม่รู้นะถ้าเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงยังไม่ได้รับร่างแสดงว่าเราไม่ได้อุทิศหรือเปล่าต้องอุทิศชื่อของแม่หรือเป่าถึงจะได้รับเวลาทำแล้วเราต้องอุทิศด้วยไม่ใช่ทำแล้วมันจะไปโดยอัตโนมัติทำเส็จแล้วต้องบอกว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้นับร่าไปแล้วชื่อดางเชื่อนี้แล้วเราอุทิดใหม่ดูถ้ายัางไม่ได้รับกล็ลองทำใหม่ พวกนั้ใส่บานไว้แล้วขันโทิ้งไว้เนี่ยอาจจะเป็นกูสโลโบายคุณแม่ไหมครับอาจารย์ถามทุกวันดีครับคุณคณิ t h าครับเวลาทาสมาธิได้สักพักใหญ่จะชอบมีอาการเป็นเหมือนตกหลุมจากอากาศควรแก้อย่างไรครับถ้าเป็นตกหลุมแบบมีสติกากน่ารักเเวลาจิตสมมันจะเปนกับตกหลุม ไม่ต้องไม่ต้องแก้อนะไรให้รู้เฉยๆแล้วทําต่อไปแสดงว่าจิตมันนัางสง บ, บลงขั้นหนึ่งแนละ้วบานทีมันตกแบบที่เป็นขั้นๆตกทีละนิดตกทีละหน่อยบางครั้งก็ตกแบบพัวพ่ายแบบใหญ่เลยก็มีอันนี้คือลักษณะของจิตรวมแล้วจิตจะรวมเป็นความสง บ, บมันจะมัน ก, ก็ตกลงมาจากที่สูง นั่ง <c oughs> นั่งสมาธิทุกครั้งจิตนิ่งสงบสว่างควรพิจารณาต่ อ, อยังไงครับยังไม่ต้องพิจารณาเวลานั่งสมาธิพยายามให้มันนิ่งให้มันสงบไปนานๆถ้าอยากจะพิจารณาธรรมต้องออกจากสมาธิมาก่อนแล้วพิจารณาเช่นพิจารณาร่างกายแล้วว่าก่อมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่ า, นนาน ง, งกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยมร่างกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นนิ่งน้ำลมไฟ ถ้าปล่อยวางร่างาแลนะ้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ถ้ายังยึดยังติ่งท้งอย่างให้ร่างกายอยู่กับเราเราก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยปล่อยให้มันตายไปถึงเวลามันจะต า, ตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปคุณสมบัติครับเมื่อเราตายจิตจะปรุงแต่งตามสัญญาเดิมความปรุงแต่งนี้จะดับเมื่อใดและจากนั้นจิตไปหาร่างกายใหม่ใช่ไหมครับก็ปรุงแต่งไปตามสัญญาที่เป็นบุญหรือเป็นบาป ถ้าเป็นบาปมันก็จะปรุงแต่งเรื่องที่มีเ ร, เรื่องของความทุกข์ต่ตางๆถ้าเป็นบุญก็จะปรุงแต่งเรื่องที่ให้ความสุขกับใจจนกว่าบุญหรือบาป ท, ที่ที่เป็นตัวผักดันสัญญานี้หมดกําลังลงก็จะได้มาเกิดเป็นบุญัยจิตฟุ้งซ่านมากจิตตกเศร้าในใจมีวิธีดึงสติอย่างไรครับก็ใช้คําบริกรรมเนี่ยพยายามบริกรรม เดนยืนนั่งนอนในอรียบทีไม่ว่าเราจะทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆี๋ยวก็จะดึงจิตกลับมาให้สู่ความเป็นปกติเรือจิตเข้ามาเป็นจิตที่สงบได้คุณมีนาครับเรียนถามพระอาจารย์เท่าที่ทราบมาว่าพระโสดาบันท่านยังไม่สามารถละกามาสุขได้เลยสงสัยว่าท่านมีวิธีปฏิบัติอย่างไงให้มรรู้ถึงธรรมขั้นโสดาบัน เพราะส่วนตัวรู้สึกว่าการที่ยิ่งติดในกามสุขทำให้การภาวนามีอุปสรรคมากมันคอยจะดึงออกตลอดเลยทําให้ไม่สามารถทำต่อเนื่องได้เลยสงสัยว่าพระที่ท่านยังไม่สามารถละกามอารมณ์ได้ท่านมีแนวทางปฏิบัติยังไงให้ได้สติต่อเนื่องแล้วนั่งสมาธิได้ดีครับก็คือเราต้องอยู่หันจัด ก, กามมาคุณให้ให้ปปไปปีดเว่ยๆมาอยู่ที่กายอย่างรูเสียงกลิ่นรสต่างๆ เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เกิดอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราเราละมันได้เป็นแต่ว่าเราอย่างน้อยก็คอยคุมกำเนิดไว้ไม่ให้มารบกวนใจเราในขณะที่เราฝึกสมาธิฝึกสติถ้าเราไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงกิ่นยอดนี้มันเดียวมันก็ถูกสิ่งเราได้มารบกวนใจทำให้เจริญสตินั่งสมาธิไม่ได้ เึ็ส่วนใหญ่ภาปฏิบัติจริงๆมักจะไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ห่างกกลอยากที่จะเลินที่มีแสงสีเสียงที่จะคอยย่นย่นคนใจนั่นเองจนกว่าท่านจะได้สมาธิแล้วเ่อท่านได้สมาธิแล้วท่านก็จะมาใช้ปัญญาพิจารณาการมาคุณว่าเป็นเป็นเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปถ้าไปยินดีไปชอบก็จะทุกเวลาที่มันที่มที่มั น, มน ม, มันเสื่อมรูปลันามันหมดไปเพราะมันเป็นของที่จเจริญแล้วเสื่อมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสีมรูปเสียงกิ่งเราตัดมันไปให้ได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็จะมีกําลังตัดได้ถ้าเห็นว่าการเสีมรูปเสียงกิ่งเราเป็นการไปหาความทุกข์เราก็เลิกได้ต้องเลิกได้ด้วยปัญญา คุณเบอกว่าการปล่อยวางกับการปล่อยปะละเลยจิตที่วางมันต่างกันตรงไหนครับปล่อยวางก็คือไม่มีไม่มีความยึดติดในสิ่งต่างๆแต่ถ้ายังมีมีหน้าที่ต้องทําอะไรก็ทําไปชมีหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายก็เลี้ยงไปและไม่ยึดติดกับร่างกายเพราะไม่ร่างกายตายได้ทุกเมื่อเนี่เราปล่อยวางร่างกายแต่ไม่ปล่อยปากละเลยร่างกายยังต้องเลี้ยงดูร่างกาย อาวุธเจ้าพาะาพาะหลานท่านก็ยังต้อออกบินทบาทเลี้งร่างกายดูแลร่างกายไปจนถึงเวลาที่ร่างกายมันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปคุณภาวินีครับถ้าตอนนี้เราเป็นหนี้สินรุมเร้าในทุกๆด้านขนาดหนักมากจนไม่สามารถอยู่บ้านได้เพราะเจ้าหนี้มาทวงจึงอยากจะขอปัญญาจากพระอาจารย์ว่าจะต้องหาทางออกอย่างไรครับตอนนี้เครียดมากครับก็<อ>ให้เขายืดไป็นสิ เวลาเราเป็นหนี้เขาเราก็ต้องมีหลักทรัพย์ที่เราต้องวางเราก็บอกว่าตานที่ไม่มีเงินจ่ายแล้วถ้าคุณจะยึดไปก็ยึดถ้าคุณจะฟ้องก็ฟ้องถ้าคุณถ้าต้องติดคุกติดตาราก็ยอมติดมันก็จะหายเครียดปัญหาคือเราไม่ยอมรับรับผลของของการเป็นหนี้อยากจะมีอยากจะอยู่อย่างมีความสุขมันอยู่ไม่ได้แล้วราะตอนนี้หนี้มันมาหลุมแล้วเจ้าหนี้กขามาลงแล้วเราเขมาถูกนี้ิตแล้ว เราก็ต้องยอมไม่ว่าเขาจะเรียกค่าเสียหายอย่างไ ร, รก็ต้องยอมครับท่านั้นเราก็จะหายเคยรียดคุณเอมี่ครับทําทานแต่แทบไม่ได้ทําบุญแบบนี้ได้บุญไหมเวลาใส่บาตรเห็นพระต้องใช้รถเข็นมอเตอร์ไซค์แล้วอยากเอาเงินทําทานครับก็ทานก็การการทําบุญก็คือการทําทานเราต้องเข้ า, ขาใจคําหมายคําว่าทานกับบุญ먼 ธรามาทานคือการให้การเสียสละแบ่งปันส่วนบุญนี่คือผลที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันคือความสุขใจอิ่มใจดังั้นเวลาที่เราให้อะไรไม่ว่าจะให้พระหรือให้ค า, า, ารวาะก็เรียกว่าเป็นการทําทานเหมือนกันใส่บาตก็เป็นการทําทานบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลก็เป็นการทําทานผลที่ได้จากการทําทานก็คือได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกัน คุณอู๊ครับเวลาเราออกจากสมาธิแล้วจะเริ่มนปพพ ส, สนาต่อเราควรลืมตาหรือหลับตาครับก็แล้วแต่เราถ้าเราจะนั่งต่อเราจะนั่งหลับตาแล้วพิจนารณาก็ได้หรือถ้าเราจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมเ้กาก็สามารถพิจนารณาได้คุณปูครับจิตคืออะไรครับจิตก็คือเป็นธานรู้ที่มีความสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆได้ คุหนึ่งฤทธัยครับไม่ต้องการฆ่าสัตว์เช่นมดปลวกแมลงแต่พยายามหาเครื่องมือหรือวิธีการป้องกันแทนอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกถ้าไม่ไปทําให้เขาตายอย่างนี้เขาก็มีพวกช็อกคิดวที่เวลามีมีมดขึ้นมาแล้วก็ไปขีดเอาช็อกไปขีดตรงทางเดินยอนเอามดมันได้กลิ่นช็อกที่มันขีดขีดแล้วมันก็จะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กล้ามามันจะถอยกลับไป คุณเกสครับยังโกรธหัวหน้าคนเก่าทั้งที่ไม่ได้ร่วมงานกันมานานแล้วทําอย่างไรครับก็แผ่เมตตาให้อภัยก็อย่าไปจองเวรจองกรรมกันเอาเวลาหนตุให้อภัยกันคุณสุทารักษ์ครับอาชีพเลี้ยงวัวไว้ขายแต่ในใจไม่คิดว่าเขาจะเอาไปฆ่าเขาเอาไปเลี้ยงจะเป็นบาปไหมครับ มันไม่ได้อยู่ในความคิดของเรามันต้องดูความจริงว่าเข้าไปทำอะไรในทางที่ดีอย่าไปทำอาชีพที่ไปไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อมันเพราะเรามันก็ถ้าเราเป็นวัวควายมากเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาเลี้ยงเรามาเพื่อที่เราจะแล้วแล้ว เ, เอาไปขายไปกักขังไว้อย่างเงี้ยปล่อยวัวควายให้เขาอยู่ตามธรรมชาติไป ด, ดีกว่า สามีต้องการหย่าเพราะหย่าให้กลับตุกติกเรื่องสินสมรสเขาจงใจให้เราทุกข์ใจทำไมเขาไม่ตัดเราให้ขาดไปเลยครับก็เขายังไม่ให้อภัยเราไงเขายังไม่ไมีความเมตตาเขายังจองเวรจองกรรมเราอยู่คุณอู๋ครับตอนนี้มีสงครามใกล้ตัวบางประเทศให้คนในประเทศถัดใช้ปืนเราชาวพุทธเรียนศิลปะป้องกันตัวได้ไหมครับ ก็ไม่มีข้อห้ามเลยถ้าเราเไปป้องกันตัวแต่เมื่อเราไปทําร้ายเขาเมือเราก็ขายความเมตตาหรืออาจจะถึงขั้นทําบาปก็ได้ถ้าเราไปทําร้ายชีวิตของเขาก็อยู่กับเราว่าเราจะต้องการธรรมะหรือเราต้องการรักษาหน้ากายรักษาชีวิตถ้าเราต้องการเป็นพระโสดาบันเราก็ยินดีให้เขาทาร้ายหน้ากายเราโดยที่เราไม่ไปทําร้ายเขาแล้วเราได้เป็นพระโสดาบัน ถ้าเราไปทําร้ายเขาเราก็อาจจะไปตกนรกดังนั้นก็ต้องดูผลรับที่จะตามม า, มาว่าเราเราพร้อมที่จะรับผลผลรับเหล่า น, นี้นได้หรือไม่ตักบาตไม่ได้กวดน้ําคนตายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลไหมครับถ้ามันได้มีน้ําแต่กวดด้วยอุทิศบุญด้วยในใจได้มุ่งอยูคนตายได้อยู่แต่ถ้ า, าทำบุญน้ำไม่อุทิศเดย อย่างนี้กนตายคนจะไม่ได้มันมีเงินในธนาคารแล้วไม่เขียนเช็คส่งไปให้เขานีเขาก็ไม่ได้รับเงินถ้ามีเงินในธนาคารแล้วเราเขียนเช็คเราส่งไปให้เขาได้วเวลาทำบุญเช่นเหมือนกันเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารแล้วเราก็ส่งเขียส่งเช็คไปให้เขาด้วยการนั้นเพื่อในใจเราขอให้บุญกุศนที่ได้ทําในวันนี้ให้กับผู้ที่รับรับท่านทัานทานี่ไปเขาก็จะได้รับ คุณสราวุธครับการทําบุญให้ทานการรักษาศีลก็พอทําได้อยู่แต่การภาวนารักษาใจทใําไมจึงทําได้ยากมากครับความขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอจึงมีกําลังมากในใจของเราครับเราจะทํายังไงจึงจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ในการปฏิบัติใหม่ๆครับมันก็เหมือนกับการวิ่งมาราธอนการวิ่งม า, า, า ร, รมาธอนมันง่ายไล่มไม่ง่ายใช่ไหมทำไมคนบางคนก็ทําได้เพราะเขามีความเพียรพยายาม เรก็เริ่มต้นหัดวิ่งอย่างมีนิมาราธอนก่อนแล้วเดินมาราธอนก่อนแล้วค่อยๆก็มีกําลังมากขึ้นเราก็ทําเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆการบาิหาก็เหมือนกันตอนต้นเราก็นั่งสักหานาทีก่อนก็ยังดีแล้ค่อยเพิ่มเป็นสิบนาทีเป็นยี่สิบนาทีไม่ใช่เราจะนั่งอุปบันแล้วนั่งได้ทิชั่วโมงไม่ใช่ bore. เรอกมันก็ต้องฝึกหัดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆอยุต่อไปมันก็จะนั่งเดินมากเอง เย็นอาจารย์ผมเคยวิ่งมาลาร์อนด้วยนะครับอาจารย์เดิมคมนะสามสิบหกกิโลนะสี่สิบสองครับอาจารย์สีิบสองแล้วมันต้องทําอะไรก่อนถึงจะไปวิ่งต้องฝึกก่อนใช่ไหมโอ้ฝึก ว, วิ่ง <พา S 2> ได<ง S>้เลยฝึกหลายเดือนเลยครับอาจารย์ครับออืฝึกอยู่หลายเดือนเลยครับซ้อมสามสิบกโ ล, โลเลยครับอาจารย์คิดยังไงถึงอยากจะไปวิ่งเนะี่วยเพราะว่ามันของไทยรู้สึกว่าอยากจะทําสักครั้งในชีวิตครับอาจารย์ ถ้ามีความอยากแล้วมันก็จะเป็นตัวผักดันมันก็จะเป็นตัวผักดันให้เราไปทําเองถ้าเราไม่อยากภานะวนาเราก็จะไม่อยากจะฝึกการทำการภาวนาะงั้นสิ่งแรกที่เราน้องก็ต้องมีก็คือฉันทะฉันทะก็คือความยินดีความอยากที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้พอะมีความอยากยาา ม, ม, า ม, ยามีความยินดีแล้วมันก็จะมีวิริยะความภาคิดตาม กราบขออุบายให้มีมานะในการปฏิบตัติทุกวันนี้มีกิจกรรมทางโลกเป็นข้ออ้างให้ตัวเองไม่ปฏิบัติได้ตลอดเลยครับก็ต้องมองเห็นผลที่เราจะได้จากการปฏิบัติว่ามันดีไหมดีดีอย่างไรไดนหลุดพ้นจากกองทุกขไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาเวรเวรตายเกิดต้องนึกถึงผลก่อนแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงว่าความตายเราก็เป็นของที่ไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลอันเมือ่อประเสรตเราก็ต้องรีบมาปฏิบัติเสียตั้งแต่วันนี้เพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้คุณพุทธิพรครับเมื่อคุณแม่ป่วยหนักหมอมีความเห็นว่าอยู่ได้อีกไม่นานและหมอได้ให้ยามอฟีนมาให้เราเอาให้แม่กินเพื่อลดทุกขเวทนาหลังจากนั้นอีกไม่นานคุณแม่ก็จากไปอย่างสงบแบบนี้จัดว่าเราได้ทำอนั น, นตฤยกรรมหรือเปล่าครับ ก็อยู่ที่ว่าท่านตายด้วยยาที่ยาสลบที่เราให้ท่านไปกินหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้ตายด้วยเหตุทั้งมันก็ไม่ไม่ได้เป็นการฆ่าท่านบางทีร่างกายมันหมดมันหมดกําลังหมดลมหมายใจของมันเองมันก็ตายได้แต่ถ้าตายเพราะอำนาจของยาสลบอันนี้ก็เป็นเป็นการฆ่าท่านเราก็ต้องรู้จักปริมาณของการใช้ยามันต้องใช้ได้มากน้อยเท่าไหร่คุณอ้อยครับ ยังรักร่างกายยังกลัวตายต้องภาวนาอย่างไรถึงจะลดละได้ครับเราต้องเอาทําใจให้สงบก่อนเนี่ยเมื่อเราใจจะสงบนี่้็ใจเราจะปล่อยวางร่างกายได้ชั่วคราวในขณะที่เราอยู่ในความสงบแต่พอกจากความสงบ ม, มามันก็จะกลับมาอยู่กับร่างกายเพราะฉะนั้นก็ต้องสอนใจว่าร่างกายนี้มันมาจากนน้าลมไฟนะมันเป็นธาตุเสกแล้วมันก็เป็นของไม่เที่ยงวันหนึ่งธาตุเก็จะต้องแยก กลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาต้องสอนบ่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆให้เห็นความเป็นจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายมันครอบครองร่างกายมันชั่วขาว้าววันหนึ่งร่างกายนี้เราจะต้องสิ้นสุดลงต้องหมดตวหมายใจห้ามันไม่ได้สอนนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะยอมรับได้คุณเปิ้ลครับ เวลาสวดมนต์มีความอึดอัดปวดหัวเกิดจากอะไรครับต้องทําจิตสอนจิตอย่างไรครับก็มันทําในสิ่งที่กิเลสไม่ชอบเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่กิเลสชอบเนี่ยมันจะไม่ปวดหัวคุณเต้ครับบอกว่าเคยเป็นเด็กวัดแล้วผมเอาของในวัดมาให้เพื่อนๆโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อพวกสบู่ยาสีฟันจะต้องทําอย่างไรครับก็ทําไปแล้วมันก็บาดแล้วทําไง มันต้องชดใช้กับต่อไปอาจจะมีใครมาขาโมยสมบู่ของเราต่อไปในภายภาคหน้ า, นานก็ได้คุณพลอยครับเวลานั่งสมาธิมีอาการคล้ายจะวูบแต่เราไม่ได้หลับรู้ตัวตลอดแต่อาการนี้ทําให้เราตกใจแล้วทําให้หยุดนั่งและต้องมาภาวนาวเริ่มใหม่ตลอดถ้าเป็นแบบนี้อีกระควรปล่อยให้วูบไปเลยใช่ไหมครับใช่ปล่อยให้มันวูบไปให้เรารู้เฉยๆไปแตกแต่ว่างลงไป คุณจินดาพรบอกว่าภาวนาอยู่ตลอดเราสามารถแผ่บุญให้ผู้ที่ต้องรับได้หรือไม่ครับคือบุญที่เกิดจากการภาวนานี้มันยังไม่เกิดเนี่ยการภาวนานี้เป็นการเหมือนกับการปลูกต้นไม้แต่ดอกผลของต้นไม้มันยังไม่เกิดในขณะที่เราปลูกต้นไม้ต้องจิตนอนเป็นสมาธิก่อนมันถึงจะออกดอกออกผลขึ้นมาตอนนั้นนะถ้าเร า, าจะเอาบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิแผ่ให้กับผู้ล้องรับไปแล้ว ก็น่าจะแผ่ได้เแต่ว่าไม่มีคําสอนในพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราแผ่เมตุชิบุญแผ่บุญด้วยการใช้การนั่งสมาธิให้ให้นบุญด้วยการทําทานแม้แต่หลวงตาหมาอามูท่าก็ยังจัดก็ทําบุญทําทานอุทิชนบุญให้กับให้กับมารดาของท่านในเส้นเดือนเนี่ยเดือนพันสดุ์ภาทุกปีเราทําบุญเปิดโลกกัทานเนี่ย บุญ เ, เพื่ออุดชิดบุญให้กับผู้ที่ลงนับไปแล้วไม่ว่าจะมีเป็นญาณหรือไม่เป็นญาณก็ตามอัรนั้นสื่อไว้ว่าที่สามสิบต้นสะพานนี้ท่านทำทุกอย่างเพราะตอนกลาวันเสียชีวิตของของโยงมวัรดาท่านถึงแม้ท่านญาบียะทรัพย์ท่านก็ท่าน ก, ก็ไมาได้ใช้รายญาบ้ยะทรัพย์เพื่อแผ่ให้เพราะที่เราคงจะแผ่ไม่ได้ท่านถึงก็เอามาใช้การ ท, ทําบุญทําทาน หรือ ว, ว่าอาจจะเป็นอุบายของท่านเชิญชวนให้ศรัทธายาโยมมาร่วมทําำบุครับก็ได้สมัยพระอาจารย์อยู่บ้านตากก็ยังไม่มีงานนี้ใช่ไหมครับยังไม่มีเพราะว่าบรรดาบรร ด, ดาท่านเต้องเสียใหม่ๆตอนที่เราไปอยู่ขอจะออมาปีสองปีท่านบรรดาของท่านก็เสียชีวิตครับืววออาจจะมีบ้างแต่มไม่เป็นอาจจะไม่เป็นงานใหญ่ท่านอาจจะทําแบบเรียบๆง่ายๆ ต่อบาคนเริ่มรู้เข้ามากขึ้นมากขึ้นเราม า, มาขอร่วมด้วยอะไรก็เลยการกลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาคุณเปิ้ลถามว่าแผ่เมตตากับอุทิศบุญต่างกันอย่างไรครับแผ่เมตตาก็คือการให้มีความไมตตีจิตต่อต่อสรรพสัตว์ตั้งปวงให้เป็นมีความเป็นมิตรกับทุกคนเรียกว่าเป็นแผ่เมตตาจะไม่ถือโษอษกดเกลือใครเวลาทำก็ทําให้เราเสียหายเหนื่อยล้า ให้ความสุขกับเขาเรามีข้าวของวิญยาณหายใจก็แบกวันให้กับเขาไปอันนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาส่วนอุทิศบุญก็คือเวลาเราทำบุญแล้วก็แบกบุญที่เราได้นี้ไปให้กับผู้ร่วมรับไปวะรี่ว่าอุทิศบุญเวลานั <iquer> ่งสมาธิแล้วหาออกทุกทีเลยครับอาจารย์ก็อย่างนี้นที่บอกกิเลไม่ชอบของเรานี้ มันจะมีอาการอื่นอันบ้าว่วงนอนบ้าขึ้นมาอาจจะให้ดูหนังเน็ตฟลิกนี่ดูทั้งคืนก็ดูได้ใช่ไหมคุณคุณตั้มครับการบรรลุธรรมจะรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับใช่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันดับไปการจะบรรลุธรรมมันต้องผ่านความทุกข์ก่อนถ้าไม่มีความทุกข์เราจะไม่รู้ว่าเราบรรลุหรอไม่ ่เราต้องเจอความทุกข์ที่ของร่างกายที่เกิด้าการเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายเงนี้แล้วเราเกิดความทุกข์ทรมานใจไม่อยากตายไม่อยากเจ็บพอเราพิจารณาทำแล้วปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บได้ความทุกข์ใจหายไปเราก็จะรู้ว่าเราบรนะรลุธรรมแล้วบรรที่การดับของความทุกขนะ์นี่เนี่ยเวลาตักบาทพอของวางใส่บาท อธิษฐานอุทิศให้พ่อแม่เลยท่านได้รับเลยไหมครับผู้รับได้ก็แล้วแต่ว่าเขารอรับอยู่อไรก็ได้บางทีเขาอาจจะไม่มารอรับก็ได้เขาอาจจะมีบุญพอเขาก็า จ, จะไม่รับแต่ถ้าเขารู้ในภายหลังเ้าก็อาจจะอนุโมทนาในการทำบุญของเราให้กับเขาคุณวริพรครับ อยากทราบความหมายของโลกุตตะลธรรมและการเข้าถึงโลกุตตะธรรมครับคำว่าโลกุตตะคือธรรมที่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดธรรมที่อยู่นอกเหนือของโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเราเรียกว่าโลกียธรรมเช่นตายภพนี่โลกทั้งสามนีการมาภพอารมณ์ภพอารูป์ภพนี้เป็นโลกียเป็นโลกที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิด แต่ผู้ที่ออกจากโ ล, โลกียะที่เราเรียกว่าผู้ที่เข้าสู่โลกุตละธรรม ท, ท, ที่อยูนอ่นอกโลกของโลกียะก็คือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆท่านเริ่มออกจากโลกียะ แ, แต่สำเนจเต็มร้อยก็คือพระอาราหันต์แต่พระโสดาบานันพระสกิราการพระอนาคามีนี้ท่านยังไม่ได้หบบสมบูรณ์ท่านเริ่มหุดออกมาทีละขั้นทีละขั้น คุณภูวดีครับอยู่จังหวัดตรังปฏิบัติตามคําสอนพระอาจารย์อยู่ครับจากทานศีลภาวนาศีลอยู่ที่ศีลหกบ้าง8ดบ้างครับและฝึกสติ ด, ด้วยการภาวนาพุโทโธในชีวิตประจําวันสลับกับการทํางานครับฝึกนั่งสมาธิอยู่การนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ยังไม่ถึงขั้นสงบเพราะความคิดแข่งกับพุโทโธอยู่แต่บางช่วงความคิดก็ทิ้งช่วงไปสักแป๊บหนึ่งก็กลับมาแข่งกับการภาวนาอีก แต่จะไม่ยอมแพ้จะตั้งใจปฏิบัติต่อไปจนพบความสงบครับอ๋ออันนี้เล่าให้ฟังนะครับอาจารย์นนต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นโจมที่เรายัางไม่นั่งสมาธิพยายามฝึกสมาธิมาแล้วพยายามบริกรรมพุทโธให้มากขึ้นคอยควบคุมความคิดอยู่ความคิดให้มากขึ้นและเวลานั่งสมาธิความค้ดกันจะน้อยลงคุณวันธานีถามว่าคารวาตบารลุธรำได้ไหมครับ ได้มันไม่ได้อยู่ที่เป็นพระนั้นเป็นขละวานอยู่ที่ว่าเรามีปัญญามีสมาธิที่จะละสามดดัญอนได้หรือเปล่าละกิเลสได้หรือเปล่าคุณอมพรครับไปปฏิบัติธรรมพอถึงเวลาสามทุ่มเรามาดูไลฟ์สดวิสัจนาธรรมถือว่าผิดศีลแปดไหมครับไม่ผิดหรอกถ้าเป็นการดูธรรมะรายการธรรมะมนวน คุณสุนีครับสวดมนต์เสร็จจะเห็นคนที่ตายแล้วแต่งชุดขาวมาหาเขามาดีใช่ไหมครับถามเขาดูสครับถ้าเป็นของจริแล้วเราถามกันได้คุยกันได้ถ้าเป็นของความคิดปรุงแต่งของเรามันก็เป็นแค่ความคิดปรุงแต่งของเร า, าได้เลยคุณมา ก, กี้ครับเรียนถามหลักเลือก มัชชีมาทางสายกลางที่เหมาะสมกับตนเองมีหลักพิจารณาอย่างไรครับว่าขนาดไหนจะเป็นเหยื่อกิเลสในการปฏิบัติภาวนาครับมันมัชชีมาก็คือทำตามกําลังของเราถ้ามันเหนือกําลังของเรามันก็อาจจะเครียดได้ถ้ามันหน่ อ, กอนกว่าแล้วเราก็จะไม่เจริญกล้ามได้เราก็ต้องมีความเหมาะสมดูกําลังของเราว่าเราจะนั่งสมาธิได้กี่ชั่วโมง ตนน้นันไปเท่าที่เรทําได้ตามกําลังของเราทําไปตามกําลังของเราเลียกว่าชิมมาถ้าเรานั่งสมาธิได้ไม่นานหลับตาแล้วฟุง้งเราพิจนารณาการเกิดดับไปเลยได้ไหมครับก็ลองดูสิว่าจะทําให้ใจหายฟุง้งทำไมจะทำได้ก็ใช้ได้คุณสุริยาครับพระสงฆ์สามารถขอรับบริจาคหรือบอกให้ บุญได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลต่างๆครับขอไม่ได้แต่บอกบุญได้เช่บอกว่าที่วัดกําลังสร้างกุฏิท่านแจ้งข่าวให้ทราบได้อยู่แต่ขอขอให้ร่วมบริจาคสร้างกุฏิไม่ได้ขอเชิญบริจากสร้างากุฏิชื่อลดถวายวัดอะไรต่างๆถ้าเป็นการขอไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามขอห้ามไม่ขอกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นญาติ หรือผู้ทีมเขาประวัตินาตัวไว้แล้วแต่การเล่าเป็นการบอกข่าวนี่บอกได้ว่าทางว่ากําลังทําอะไรอยู่รายการข่าวได้อยู่คุณตูนครับบอกว่าเลี้ยงแมวแต่อยู่ในกรงทุกเย็นเอาออกเดินเล่นจะปล่อยก็กลัวหมากัดอย่างนี้บาปไหมครับก็ถ้าเราเป็นแมวเป็นแมเสืออย่างไรถ้าเราต้องถูกกักขังในบ้านตลอดเวลา แล้วกรเวลาจะเอานอกบ้านก็มีคนมาคอยผูกคอเราแล้วก็พาเราไปนู่นมาหนี่เราก็เราไม่มีอิสระภาพเลยแต่เวลาไปกลัวเขาตายทำไมไม่กลัวเขาว่าเขาถูกกับขังเราปล่อยเขาอยู่ตามอิสระภาพก็อยู่เท่เราะเขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะเป็นจะตายมันก็เป็นเรื่องของเขาไปเพราะทุกคนกิดมาไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายด้วยกันทุกคนใช่ไหม คุณสลาวุธครับทํำยังไ ง, จ, งจึงจะละความชั่วได้ครับเพราะใจมันชอบตกไปในทางที่ชั่วอยู่ตลอดพยายามฝืฝ่าฝืนให้ทวนกระแสอยู่ตลอดแต่ก็ยังสู้ไม่ได้ครับทําอย่างไรครับต้องไปอยู่กับคนที่เขาไม่ทําความชั่วเลยให้ไปอยู่วัดนี่ยไปเป็นลูกศิษย์วัดก็ได้ก็ยังปวดไม่ได้ก็ไปเป็นลูกศิษย์วัดแล้ว ไ, ไปถือศีลแปดอยู่วัดการอยู่กับคนดีพระอาจารย์สอนว่าให้เราเลือกคบกับคนดีอย่าไปคบกับคนชั่ว ถ้าอยู่คนเชื่อคนเชื่อก็จะชวนเราไปทำเชื่อด้วยให้ไปอยู่คนดีคนที่ไม่ทำเชื่อเขาก็จะไม่ชวนเราไปทําความเชื่อคุณแหม่มครับขอคําแนะนําในการฝึกมรณานุสติครับเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายให้เราจดจําไว้ไม่ให้เลยนะบรนาร์ดคือเราลืมกันเราคีดว่าเราจะไม่ตายกัน เราคิดว่าเราต้องตายแนละ้วา จ, จะต้องตายได้วันนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้ให้คิดอย่างนี้บ่อยๆมันจะได้ไม่ลืมมันจะได้มีความรู้สึกว่าชีวิตของเรนที้มันไม่แน่นอนนะเคยขับรถทับสุนัขเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะมองไม่เห็นบาปมากไหมครับทุกวันนี้ยังนึกถึงก็ทุกข์ใจตลอดครับมันไม่บาปเลยถ้าเราไม่มีเจตนาทํำไมก็ตาย คุณกิฟตครับพระสงฆ์เล่นโซเชียลได้ไหมครับเช่นโพสต์ทักทายหรือลงว่าไปไหนครับคนจะมีไว้สำหรับเผยแพผ่ธรรมะดีกว่าถ้าเล่นให้ไม่ไม่ไม่ถูกเพราะว่าพระสงฆ์วันนี้เป็นผู้ที่ไม่ต้องการจะเล่นเกี่ยวใครเล้วท่านต้องการที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่ถึงหน้าที่ถ้าท่านยังไม่ถึงเวลารเรามาเผยแผ่ธรรมะท่านก็ไม่ควรจะเล่นจะดีกว่าเวลาเวลาไปให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมจะดีกว่า แต่ถ้าท่านบรรลุแล้วท่านก็มีธรรมะอะไรที่จะเผยแพร่สังสอนใครก็ใช้ใช้โซเชียลนี้ได้เคยถูกพระดุรู้สึกเศร้ามากไปหลายวันแก้ไม่หายทำอย่างไรดีครับก็ให้เราคิดว่าการหลูของพระนี่เป็นการส อ, สอนใจเราเตือนใจเราเราอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดเสียหายกับตัวเราแล้วท่านก็มาเต็นเราท่านเอง เราให้เห็นว่าคนที่เขาดูดเราว่าเรานี่เป็นเมืนคนชี้คุมทราบให้กับเราเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นเราชับมักเรามักจะมองไม่เห็นความบกพร่องของตัวเราเองเราจะต้องอาศัยคน อ, อื่นชี้ความบกพร่องของเราเราจะได้แก้ไขดัดแปลงและทําให้ความบกพร่องนั้นหายไปได้ก็เป็นเหมือนกับการชี้คุมทราบให้กับเราทำให้เราพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นได้ คุณเจีครับถ้าเราหยอดอยาป้องกันเห็บหมัดลงบนผิวหนังบนคอหมาแมวเพื่อป้องกันเห็บหมัดอย่างนี้ถือว่าเราไปฆ่าเห็บหมัดไหมครับบาปไหมครับถ้ามันไม่ตายก็ไม่บาปถ้าป้องกันไม่้ม า, ม า, มาติดมามาเกาะตอยู่กับร่างกายของอมาก็ไม่บาปแต่ถ้าไปทำให้มันตายก็ถึงจะบาปอู้ยที่เสียชีวิตไปแล้วจะได้ไปเจอกันไหมครับและจะจํากันได้ไหมครับเช่นพ่อแม่ป้าที่เสียไปแล้วครับ บางคนอาจจะเจอการกันได้แล้วจะจาได้ไม่ได้กันอยู่ว่าเขาต้องรู้ชาญได้หรือเปล่าเขาไม่ความจำดีหรือไม่คุณแมวครับการถวายสังฆทานหากไม่ได้กล่าวคําถวายสังฆทานต่อพระภิกษุถือว่าผิดไหมครับไม่ผิดครับคุณจุ๊กครับ ผมสงสัยทำไมเวลานอนหลับผมพูดคุยกับคนในฝันได้รู้เรื่องเหมือนขณะตื่นอยู่ครับก็เป็นเรื่องของความความฝันของเราไปเราอาจจะมีสติหรือว่าจำได้ว่าเากำลังฝันเรื่องอะไรก็ได้คุณกรครับถ้าเราทาบุญจนเป็นความเคยชินอาจไม่รู้สึกสุขใจในขณะนั้นแต่มีความยินดีที่จะทำทุกวันจะได้บุญไหมครับเพราเห็นว่าบุญคือความสุขใจครับ ได้ับเราก็ได้การเสียสละการปล่อยวางในทรับสมบัติเข้าของเงินทองในลดความโลภความตันดีกรับอาจารย์ครับถ้าออฟฟิศมีพนักงานลาออกบ่อยควรวางใจอย่างไรครับก็ากวางใจว่าเป็นเันนที่จังไม่มีอะไรเที่แท้แน่นอนคนมาทำงานก็อาจจะอยู่กับเราสั้นก็ได้ยาวก็ได้ คุณมาคัสสีครับธรรมชาติของจิตทำงานอย่างไรทำไมเวลาเราเดินจงกรมตั้งใจภาวนาพุโทโธแต่ยังสามารถคิดเรื่องอื่นที่แว บ, บเข้ามาได้จะแก้ไขอย่างไรครับก็เพราะว่าเราไม่คยไม่เคยควบคุมความคิดของเราเนี่พอเรามาอควบคุมใหม่ๆมันก็เรายังไม่สามารถยับยั้งความคิดของเราได้แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปความคิดมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ลูกชายเสียเขาไปไหนเกิดเกิดหรือยังจะมีอะไรบ่งบอกให้เรารู้ได้ไหมครับถ้าเราไม่มียานอย่างทราบเราคงจะไม่รู้หรอเขาอาจจะไปสวรรค์ก็ได้ตอนนี้หรือเขาอาจจะไปอาบายก็ได้แล้วแต่ว่าบุญกับบาป ท, ที่เขาทาอันอย่างไรมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะโ ย, ยกกนโิญญาให้เขาไปอยู่ในอาบายถ้าบุญมากกว่าก็จะโยน หนึ่งดวงวิญญาณเขาไปอยู่ในสวรรค์หรือถ้าบุญกบาปมีกําลังเท่ากันเขาอาจกํากลังเราไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ได้เราก็รู้ได้ตามทฤนฎีนี้เท่นถ้าเราไม่มีญาณอย่างทราบถ้าเรามียาอย่างทราบเราเอาจจะรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนก็ได้คุณวัฒนาศักดิ์ครับภาวนาพุทโธโดยไม่ต้องกําหนดลมหายใจได้ไหมครับ ก็ต้องมีอะไรกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งนั่งเฉยๆไม่ได้ต้องเฉยๆแล้วใจมันจะไม่หยุดคิดต้องมีก็อุบายมันใช้ถ้าไม่ดูลมเรา่าถ้าออากมาถึงมาถ้าพุโทโธด้วยไ ม, ไม่ไม่ดูลมด้วยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ไมันจะเป็นจะต้องใช้สองอย่างพร้อมๆกันเวลาเกิด การปรุงอารมณ์แล้วสติไม่ทันจิตจนเกิดความโกรธแล้วคุมไม่ได้ต้องทําอย่างไรครับก็เรียหนึ่งสติกับเราพอรู้ว่าโกรดแล้วก็พยายามทําพุทโธพุทโธขึ้นมาไปเรื่อยๆจนกว่าความโกรธจะหายไปคุณชัดชัยครับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่สมัยนี้ทําไมบางคนหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่อนน้อมถ่อมตัวมีความก้าวร้าวมากขึ้นจะแก้ไขยอย่างไรครับ เพราะไม่มีการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะ ว, ว, วาอะไร่หยให้เป็นไปตามนิสัยนิสัยของกิเลสมกกักจะไม่ชอบอ่อนน้อถมถ่อมนเดินต้องมีการ ส, สั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ควรกำหนดจิตอย่างไรขณะเดินจงกรมแล้วยุงกับเท้าและมีเสียงประกาศหลวงพี่ให้ไปขยายลดคนอื่นพร้อมกันครับ ถ้ามันไม่เกี่ยวกับเราก็าไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับการเดินจงผมไปเรื่อยๆไว้ให้ทุกอย่างมาแล้วไปรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปถ้ามันเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเราเช่นเราก็เขาเรียกเราให้เราไปทําอะไรเราก็อาจจะต้องไป <c oughs> คุณสมพรมครับอ๋ออันนี้ท่านเจ้าคุณนอเคยกล่าวว่าคนตายช่วยคนได้ดีกว่าคนเป็นอีกนะพอคิดถึงปับ๊บก็มาถึงทันทีจริงไหมครับ ใช่มาเถีงกันเถีไม่ทราบอาจารย์อ๋อหมาอาจจะหมายถึงว่าคนตายมาช่วยนี่แหละครับอาจารย์ก็าาาาไม่ทราบเหมืนอนกันนี่ไม่ชอบสวดมนต์แต่ชอบฟังเทศฟังธรรมมากกว่าอย่างนี้ได้ไหมครับมันก็แล้วแต่ว่าเราต้องการต้องการอะไรการเร่งามเทศความธรรมก็ทําให้เราได้เกิดปัญญา แล้วก็อาจจะได้ความสงบแต่ถ้าสวดมนต์ได้เราก็สามารถที่จะทําใจให้สงบได้โดยที่บางทีเราไม่ต้องฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เราต้องเอาเอ า, เอาเทศมาฟังกันการสวดมนนี้เราสามารถสวดน ใ, ใจของเราได้เลยเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นี่ก็เป็นการเจรัดระเบียสติอย่างหนึง่งโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอก การฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นการจสติอย่างหนึ่งแต่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกถ้าเราไปอยู่ในสิ่งที่อยู่ในที่ที่ไม่มี็นธรรมะเราฟังเราจะทำอย่างไรถ้าเราต้องการความสมงบแล้วถ้าเราสวดมนต์ได้แล้วเราสวดมนต์ไปจะดีกว่าแต่ก็ได้ทั้งสองอย่างไม่ได้ว่าถึงการทําเทศฟังธรรมไม่ไม่ดีไม่ใช่ก็มีมีคลมีประโยชน์แต่มันก็มีประโยชน์ต่างกันไป ลูกด่าแม่น้ำตาตกทุกวันถามว่ากรรมมีจริงหรือเปล่าครับใช่ก่อนหน้าอาจจะเคยไปด่าแม่เราบ่อนมากชาตินี้อะไรถูกลูกมาด่าล้วบ้างคงกรรมคงเกวินใช่ไหมคุณสุคนธาครับบางครั้งเราทําบุญไปแล้วเกิดเสียได้ภายหลังอย่างนี้บุญได้อยู่ไหมครับถ้าไปไปเอาคืนก็ยังได้ <laughs> ถ้าเสียดาแล้วไปขอคืนกต่ถึงยังไม่ได้ <laughs> คุณเป๊ปครับบอกว่าถวายบุหรี่พระนี่บาปไหมครับไม่บาปหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นข้อห้ามบุรีนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นยาเสพติดแล้วเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้ขาดสติเหมือนสุราอย่างเราใจเป็นทุกข์มากจะออกจากทุกข์ได้ยังไงครับก็ยึดเหตุที่ทําให้ใจทุกข์สิ เหตุของใจความทุกข์ของใจก็คือความอยากต่างๆให้เราเปลี่ยนใจนั้นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอทุกข์พอไม่ได้ก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้วะแค่นี้เราก็หายทุกข์นะคุณสมพร้อมครับคนบางคนทําชั่วกับแผ่นดินไว้มากแต่ทําไมเขายังไม่รับกรรมชั่วนั้นยังเป็นใหญ่มีคนนับถือครับไม่ยังไม่ถึงเวลาบุกต้นไม้มันบางทีบางต้นมันมใช้เวลานานกวามบางต้น เลรานแบบชนีดก็ใช้เวลาไม่นานกลวยมันไ ม, ไม่ไม่นานมันก็เอาดอกออกผลได้แต่ทุเรียนนี่อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีเ น, นกันังเรื่องของการนี่เราอย่าไปกังวลเลยขอให้มันเป็นไปตามตามเรื่องของบันเทิงถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ก็เรืองว่ายังไม่ถึงเวลาเราคุณโรสถามว่าพระสงฆ์ใช้วิธีไหนในการป้องกันยุงกัดครับ ก็อยู่ในม้งเน่ะนั่งสบาที่กันนังในม้งอยู่ในกติก็อยู่กติที่มีมุ้งนวดนถ้าไม่มีมุ้งนวดก็จุดยาจุดยากันยุงได้ทำไมอยู่ที่บ้านตายเวลาหนองตามาเทศนิสาราตอนค่ำก็มีการจุดยากันยุงไว้ด้วยจุดทูบก็ไม่จำไม่ได้จุดยากันยุงก็จุดทูบความทูบแล้วก็มันก็จะไล่ยุงไปได้แต่แต่ก็ยังมียุ่มะก่อมะกันอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มี แต่ก็มีเยะเลยฝึกฝึกอดทนตามใจเฉยๆให้กว่าให้มันกัดไปเพเวลาฟังเทศฟังธรรมนีต้องนั่งนิ่งเงียบนั่งกายไม่ขยับนะไฟก็ไม่มีครับอาจารย์ก็มีแต่ไฟที่จุดทูกเทียนบูชาพระพุทธรูปองเท่านั้นเองไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรมีแค่เทียนสองดอกที่หน้าพระอุทรรุณคุณศิรินครับ เมื่อก่อนลูกยึดติดในประเพณีจีนแต่พอมาฟังธรรมกับพระอาจารย์ทำให้ลูกมุ่งเน้นมาที่การปฏิบัติบูบชาทางด้านพระพุทธศาสนามากกว่าอย่างเรื่องการไว้ทุกข์แม่เสียชีวิตลูกตัดสินใจไม่ใส่ชุดไว้ทุกข์หลังจากทำพิธีชาปนกิจศพแบบนี้ไม่ถือว่าลูกไม่กระตันยูใช่ไหมครับไม่หรอกความไว้ทุกนี่เราเราก็ตาม้าที่เราทาหน้าที่นฐหน้าอย่างดี ทำจัดงานสพให้แม่อย่างนี้เรียกว่าเราถ้าเห็น ว, ว่าจบนะ้ถ้าเราอยู่กับหมู่คนชั่วทุจริตเราจะต้องทําอย่างไรดีครับเราควรนิ่งเฉยหรือจัดการดีควรวางใจอย่างไรดีครับถ้าเรารู้ว่ามันผิดแล้วเราเราก็อย่าทําตามเขานลยก็ไม่ทําตามเขาจนกว่าเขาจะขับไล่เราออกจากกลุ่มเก่าพออยู่ไปเราไปจัดกา น, นก็เราก็ต้องย้ายที่อยู่ อยู่เขาไม่ได้มันน้ำกับน้ำมันมันอยู่ร่วมกันไม่ได้มันต้องแยกทานกันเราเอาน้ำเอาน้ำมันใส่ขวดเดียวกันแล้วขยำดูขยำมันยังไงมันก็จะไม่อยู่ร่วมกันมันก็จะแยกตัวออกจากกันคนดีกับคนชั่วก็อยู่ร่วมกันไม่ได้แร้วคุณนงลักษ์ครับถือศีลแปดแล้วต้องกินยาตอนเย็นและก่อนนอนควรปฏิบัติต้นอย่างไรครับ ก็ถ้ายำกินได้เดี๋ยวที่ไม่ต้องกินอาหารก็กินไปถ้ากินแล้วมันมันกัดกระเพาะก็ต้องอยากกินยาเมื่อต้องขอข อ, อยาชนิดอื่นจากหม อ, อว่ามีมียาที่กินแบบท้องว่างได้ไหมคาถาบูชาพระพุทธรูปต่างๆคาถาเรียกท ร, รัพย์คาถาป้องกันภัยมีจริงไหมครับไม่มีหรอกไม่ไม่มีผลแต่อย่างใดประทามีอยู่แต่มันไม่มันไม่ส่งผลแต่อย่างใด คุณสัิธรครับการทำบุญโดยให้เงินกับผู้ยากไร้เราสามารถอุทิศส่วนกุศลที่เราทำนี้ให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้ไหมครับได้มันก็เป็นการทำทานเหมือนกันทำทานกับพระทำทานกับคนยากไร้ก็เป็นการทำทานเหมือนกันได้บุญเหมือนกันคุณหน่อยบอกว่าทำไมให้ฝันเห็นพ่อแม่ที่เสียไปแล้วทาไมร้องคุยกับเขาไม่ได้ครับเพราใจเราบุงแต่งขึ้นมาเอง คสครับทําสมาธิแล้วจเจริญวิปัสนาแต่เป็นการทําวิปัสนาตอนไม่ได้นั่งสมาธิช่วงนี้เกิดจิตไม่รวมหรือเข้าสมาธิได้ไม่ลึกไม่นานสภาวะแบบนี้ควรจะทําอย่างไรครับก็ควรทําสมาธิให้มากก่อนให้มันเข้าเนื้อเนื้ได้นานก่อนแล้วค่อยเอามาเจริญทางวิปัสนาต่อไปถ้าสมาธิเรายัางไม่ไม่ชํานาญเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ควรจะสติไปเรื่อยๆก่อน จะเวลาเข้าสมาธิจะได้เข้าได้นานเข้าได้ลึกพอหลังจากนั้นพอเราชำนาญในการเข้าสมาธิได้นานได้ลึกแล้วต่อไปเวลาเราออกมาแทนที่จะเจริญสติแล้วก็เจริญปัญญาแทนเจริญวิปัสสนาแทนได้ทําอย่างไรให้ได้พบเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะสอนวิปัสสนากรรมฐานให้ตรงจริตของเราได้ครับก็ลองจ้องหาไปเรื่อย คุณสมพร้อมครับเวลาเราอยู่คนเดียวจะรู้สึกกลัวทําอย่างไรจึงจะหายกลัวและอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขครับเราหัดหัดท่องบรารมีพุทโธพุทโธหรือหัดสวนบนตเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้สวดบนตไปแล้วให้โดยการพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวเพราะเราลืเรื่องที่เราเพราเราไม่คิดถึงเรื่องที่เรากลัวความกลัวก็จะหาย คุณนานาครับหนูเข้าไปดูการชนสูตรศพของพ่อหนูไม่รู้สึกกลัวเลยแต่ยังมีเรื่องราวเวลาเห็นอวัยวะของพ่อเช่นหัวใจที่ขาดเลือดก็มีภาพตอนพ่อเจ็บหน้าอกมีความรักห่วงใยตลอดการชนะสูตรแบบนี้หนูยังยึดติดใช่ไหมขอคำแนะนำพระอาจารย์สอนกายคตาสติดได้ครับถ้าเราไม่ทุกข์ก็ไม่ยึดติดแล้วถ้าเราดูเฉยๆสักแต่ว่ารากไปถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเราก็ต้องบอกว่าอนนี้มันแัน่ แค่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครมันก็พ่อพ่อก็ไม่ได้มีอยู่ในร่างกายนี่เป็นเพียงอาการสาสิบสองไม่มีใครเป็นเจ้าของความคิดชอบตําหนิและคิดเพ้อเจอ้อพอรู้ตัวก็หยุดคิดและกลัวบาปควรจัดการกับปัญหานี้อย่างไรครับก็พยายามหาข้ามใจอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่คิดเองคุณสมบูรณ์ครับ นั่งสมาธิพอจิตเริ่มนิ่งร่างกายจะโยกไปมาทั้งซ้ายขวาหน้าหลังรู้สึกลำคาญเพต้องเริ่มบริกรรมพุทโธใหม่ขอคําแนะนําครับก็แสดงว่าไม่นิ่งจริงถ้าจิตนิ่งแล้วร่างกายก็จะนิ่งตามคุณแครอทครับการทําบุญบริจาคโรงทานถือเป็นการทําบุญแบบใส่บาตรพระไหมครับแบบเหมือนกันนะก็เป็นการแ บ, บ่งปันการให้เหมือนกันคุณเอสครับ การทำวิปัสสนาโดยการไม่นั่งสมาธิคือหลังออกจากสมาธิแล้วเป็นการขวางการเข้าสมาธิไหมครับไม่หรอกมันการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เราเกิดปัญญาเพื่อให้เราได้ปล่อยวางสิ่งที่เราไปยึดไปติดอยู่ไม่มาเกี่ยวข้องกับการทำให้เข้าสมาธิไม่ได้นอกจากว่าถ้ า, าสมาธิเรายังไม่ชนานาญสติเรายังไม่แก่กล้าพอ เวลาออกจากสมาธิมาถ้าเราไม่เจริญเจริญสติเ ร, เราก็เริ่มไปคิดเวลาจะกลับเข้าไปในสมาธิมันอาจจะเข้าไปยากกว่าเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราํานานทางเข้าออทําสมาธิหรือยังถ้ายังไม่ํานานก็ควรจะเจริญสติไปก่อนเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิพเพราะวลาเจริญสติเราจะคอยควบคุมคอยหยุดความคิดแต่ถ้าเราพิจารณาทางปาัญญาเราต้องใช้ความคิด ไปขึ้นไปขึ้นมาอาจจะฟุ้งได้พุ้งแล้วเวลาจะเข้าสมาธิกันจะเข้าได้ยากนี่ก็ต้องดูว่าการเข้าออกสมาธิของเรานี้ง่ายไหมเพราะเราชนานาญเรื่อยังถ้ายัางไม่ชนานาญก็อยากพิ่งมันเจริญทางทางวิปัสสนาทางวัน ญ, ญาให้มันเจริญสติต่ตอไปเลยเวลาออกจากสมาธิมาคุณมีบอกว่ายุงกัดเราเราตก อ, อย่างนี้บ้าไหมครับ บาปทางเขาตายก็บาปนะคุณปรรณีครับอยากทราบว่าพระนางสิริมาปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงบรรลุทำได้ทั้งที่เป็นหญิงทีมโศเพนีครับอันนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาประวัติท่านมาเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้บอกว่าลูกชายเสียไปสิบเดือนยังเสียใจร้องไห้ยอยู่ตลอดขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้ครับเรายังไม่อยอมรับความจริงว่า เขาเป็นเพยงแา่ดินน้ำดวงไฟตัวเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเขาก็ไปตามบุญตามบาของเขาคุณจันทร์น า, ารานครับถ้าจะทำคาเหตุสุนัขให้คนมาเล่นกับน้องหมาบาปไหมครับไม่ทราบคำถาม น, นั้นตอบไม่นานไม่ต้องคาเหตเป็นยังไง คุณสยาทิพครับบอกว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกหัวใจเต้นเร็วเหมือนหายใจไม่ทันควรแก้อย่างไรครับไม่ต้องทาอะไรก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเรามันนั่งสมาธิเพื่อกอบกลุมใจให้เราสงบช่วยสถาการให้เงินมันจะเป็นยังไงก็เราก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันกไปตามตามเรื่องของมันคุณพาวินีครับถ้าพาสุนัขตัวเมที่เลี้ยงอยู่ไปทำหมันอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาป ผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับปลอกมังคุดแล้วเจอมดเยอะล้างมือที่มีที่มีมดเกาะบาปเยอะหรือเปล่าครับเราใส่บาบพระแลเอุติดบุญหมดได้ไหมครับก็อุทิศได้บุญนะอต่มันไม่ได้ไปร้านบาบที่เราไปฆ่าเขาเห็นทางที่ดีให้มีสติเวลาที่เราทําอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ถ้าไม่มดเยอะล้วก็คนที่จะ เอามด ไ, ไปปล่อยที่ไหนก่อนแล้วก็าเอาเม็ดมาล้วงไม่ใช่ลมางเไปแล้วทําให้มดต้องตายไปด้วยคําว่าจิตรวมคือเอกคตารมใช่ไหมครับอาจารย์ใช่รวมเป็นหนึ่งปกติจิตมันจะแยกมันจะเป็นทั้ ง, งรู้ทั้งคิดพอเราหยุดความคิดได้จิตมันก็จะรวมเป็นหนึ่งหลือแต่ความรู้อย่างเดียวหรือ แ, แต่วารู้อย่างเดียว คำถามสุดท like, you know, ้ายครับอาจารย์ครับการอุทิศบุญถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อแค่อุทิศว่าให้ญาติที่ร่วงรับแล้วญาตทั้งหมดที่ร่วงรับจะได้รับใช่ไหมครับก็อยู่ที่เราพูดมันต้องบอกว่าญาติคนไหนหรือญาติทั้งหมดะถ้าบอกว่าญาติทั้งหมดญาติก็ได้รับทั้งหมดแต่ถ้าบอกว่าญาติเฉยๆก็ญาติก็จะงงว่าญาติคนไหนล่ะถ้าอยากจะให้ญาติทั้งหมดก็ต้องบอกเขาอุทิศให้ญาติทั้งหมดไป ต้องจอจงต้องจำแจ้งอะเรื่องนี้เขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมในเฟซ922คนครับในยู631ในคลาบ6คนในติ๊กต็อก569คนรวมมีเพื่อนฟังธรรมด้วยกันวันนี้ 2,128 คนครับอาจารย์ครับก็ <c oughs> ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาพังเทศพังธรรมทําต่างค็ทางมังว่าคงจะได้นับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการกบจัดความทุกข์งปางให้หมดสิ้นไปจากใจการสนทนาธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจานนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ ก้าวความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุถ้าไม่มีอะไรไ ม, ไม่มีปัญหาอะไรใ น, ในอาทิตย์หน้าก็คงเคิดว่าคงจะได้พบกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ก็ขอขอลาท่านทั้งหลายไปก่อนขอเจริญพรกรขบขอบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ